อา่าวันนี้ก็เดี๋ยวสนทนาธรรมะกันต่อเนาะเป็นการเพื่อเป็นการทำความเข้าใจในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปต่อจากเมื่อวานนี้นวันนี้ก็มาต่ออีกก็คือมองถึงคุณสมบัติของมิตรที่ดีจริงๆแล้วนะบางแห่งท่านมุ่งเน้นประโยชน์ในระดับทิฏฐาธรมิกกถะ ทิฏฐะธรรมิกถาก็คือว่าแล้วก็เชื่อมกับสัมปราญิกถากด้วยเป็นมิตรแท้มิตรเทียมอย่างเช่นในสิงคาระสูตรเนี่ยคำว่าทิฏฐะธรรมิกถาก็คือประโยชน์ที่ตาเห็นสัมปราญิกถาก็คือประโยชน์ที่เลยตาเห็นนะก็ในพระสูตรในติการนิบาศก็มีในทีขัติกายปฏิกาวรกมีดูก่อนก็กำบวดีบุตรกำบวดีบุตรว่าครบ คนสี่พวกเหล่านี้เพิ่งทราบว่าเป็นอมิตรเป็นมิตรเทียมก็คือคนปลอกลอกคนดีแต่พูดคนหัวประจบคนชักชวนในทางชิบหายเนี่ยอย่างนี้เป็นมิตรปลอกลอกเพิ่งทราบอมิตรผู้เป็นมิตรเทียมนชนิดปลอกลอกโดยสถานะสีก็คือเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวยอมเสียให้น้อยหวังเอาให้มากเมื่อตัวมีภัยก็จึงมามาช่วยทากิจของเพื่อน เขาเพื่อนพ่อเห็นแก่ประโยชน์ของตัวอย่างเงี้ยและพึงทราบอมิตรผู้เป็นมิตรเทียมชนิดที่ดีแต่พูดเป็นยังไงก็คือว่าดีแต่ยกเอาของที่หมดแล้วนะั่นแหละมาปลาใส่ดีแต่อ้างของที่ยังไม่มีมาปลาใส่ส่งข้อด้วยสิ่งหาประโยชน์ไม่ได้แล้วก็เมื่อเพื่อนมีกิจอ้างแต่เหตุขัดคล้องอยู่เรื่อยเลยออกปากพึ่งไม่ได้เลยหรือพึงทราบ อมิตรอีกอย่างหนึ่งก็คือมิตรเทียมก็คือชนิดที่หัวประจบก็คือว่าเพื่อนทําชั่วก็เอออก็เพื่อนหมดแล้เพื่อนทําดีก็เอออตอหน้าก็สารเสริญรับหลังก็ตั้งนินทาเนี่ยลักษณะนี้อมิตรที่ไม่ใช่มิตรถ้าพึงทราบอมิตรอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นมิตรเทียมชนิดที่ชวนในทางวิบัติิบหายในฐานะสีประการคอยเป็นเพื่อนดื่มน้ําเมาคอยเป็นเพื่อนเที่ยวกลังคืนคอยเป็นเพื่อนเที่ยวดูการและเล่นคอยเป็นเพื่อนในการเล่นการพนันเนี่ย ดูก่อนก็เอาพดีบุตรคนสี่จำพวกนี้เพิงทราบว่าเป็นที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอมิตรแต่ต่อไปเนี่ยมิตรแท้เป็นยังไงมิตรมีอุปการะมิตรร่วมสุขร่วมทุกมิตรแนะนําประโยชน์มิตรมีใจรักใครพิ่งทราบว่าผู้มีน้ําใจงามชนิดที่อุปการะในฐานะ4ี่ประการก็คือเพื่อนประมาทก็ช่วยรักษาเพื่อนเพื่อนที่ประมาทแล้วก็ช่วยรักษาทรัพย์สินเงินทองของเพื่อน เพื่อนมีภัยก็เป็นที่พึ่งพวานักได้เมื่อมีกิจจําเป็นก็ช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่าที่ออกปาก <c oughs> ใช่ไหมแล้วก็เพิงทราบมิตรผู้มีใจงามชนิดที่ร่วมสุขร่วมทุกข์ในฐานะสี่ก็คือบอกความลับแก่เพื่อนอันนี้ไหมไม่ปิดบังเลยในข้อนี้รักษาความลับของเพื่อนไม่ไปเปิดเผยมีภัยอันตรายก็ไม่ละทิ้งแม้ชีวิตก็สละให้เพื่อนได้แก่ประโยชน์แก่เพื่อนได้ประการที่สมก็คือ มิตรผู้มีใจงามชนิดแนะนําประโยชน์ก็คือห้ามปรามไม่ทําชั่วอะไรเป็นกายยทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตห้ามอะไรเป็นกายยสุจริตวจีสุจริตเนะชื่นชมแนะนํา <c oughs> แนะนําให้ต่างอยู่ในความดีให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังได้รู้แล้วก็บอกทางสุขติทางสวรรค์ให้บอกว่าเออเนี่ยทางดําเนินแบบนี้จะไปสู่สุขติโลกสวรรค์ยังไง แล้วข้อสุดท้ายก็คือมิตรผู้มีใจงามชนิดที่มีใจรักโดยฐานะสีกับเพื่อนมีทุกขก็ปล่อยไม่สบายใจด้วยเพื่อนมีสุขก็ชื่นชมยินดีเขาตีบเตียนเพื่อนก็ช่วยยับยัง้งแก้ไขให้เขาสละเสริญก็ช่วยพูดสนับสนุนเนี่ยนะอีกอี ก, อกแห่งหนึ่งก็ตรัสอีกนะอันนี้ไล่ไปเรื่อยๆพศสูทั้งหลายมิตรประกอบไปด้วยองค์เประการน่ยคนคบองค์7ประการก็คือ ให้สิ่งที่ให้ได้ยากแลก้วก็ทำสิ่งที่ทำได้ยากทนในสิ่งที่ทนได้ยากเปิดเผยความลับแก่เพื่อนรักษาความลับของเพื่อนเมื่อมีภัยพิบัติไม่ทอดทิ้งเมื่อสิ้นไร้ก็ไม่ดูหมินเออถึงนเนี้ยนะซึ่งก็หายากแล้วใช่ไหมอา้าวแต่นี้ก็พูดถึงมิตรอีกเพื่อนร่วมงานซึ่งเป็นเหมือนทิศเบื้องซ้ายเนี่ย อันกุรบุตรก็เพิ่งบำลุงได้ฐานะัดเจทานก็คือการให้ปันสองปิยาวาจาก็พูดอย่างน่ารักนี่เอาสังหาวัตถุมาจับเลย 3. นอัธจริยาก็ประพูดประโยชน์แก่เขาแต่ยังไม่ลงรายละเอียดก่อน 4. ส, สมานตตาก็เอาตนเข้าสมานเอาตนเข้าสมานข้อสุดท้ายคืออวิสังวาทนตาพูดขานไม่คาดจากความเป็นจริง ออข้อปฏิบัติ4ข้อแรกนั้นนะก็คือสังฆาวัตถุสังฆะวัตถุนั้นก็เป็นหลักการสงเคราะห์หลักการยึดเหนี่ยวน้ําใจแล้วก็ประสานหมู่ชนให้สามคัคคีให้เป็นเอกภาพให้เป็นเอกภาพให้เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเป็นการแสดงน้ําใจต่อกันระหว่างคนทั่วไปเมื่อหลักทั้งสองนี้ตรงกันก็เหมือนกับพูดว่าพระพุทธเจ้าสอนให้คนเราทั้งหลายเป็นมิตรต่อกันแล้วก็ปฏิบัติต่อกันอย่างมิตรนอกจากนี้ก็ต้องสังเกตบรรดาข้อปฏิบัติเหล่านี้ การเอาตัวเข้าสมานก็คือทำตัวเองให้เข้ากับเขาได้ไม่ถือตัวร่วมสุขร่วมทุกขนะ์นับว่าเป็นคุณธรรมสำคัญเป็นการเข้าถึงตัวอย่างแท้จริงซึ่งมีผลทางด้านจิตใจแล้วก็ชักจูงความรู้สึกนึกคิดได้มากนั้นท่านจัดมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ไว้เป็นมิตรประเภทหนึ่งโดยเฉพาะด้วยนะคาว่าร่วมสุขร่วมทุกข์ในที่นี้ก็เข้ากหลักของคำว่าสมานตตา ส, สมาณะบวกอัตตเอาตนเองเข้าไปสมานก็คือเสมอกัน เ, เสมอเนี่ยไม่ใช่ไปวัดกันอย่างทางโลกนะเช่นว่าให้วัตถุเท่ากันไม่ใช่อย่างนั้นเสมอในสุขเสมอในทุกไม่เลือกที่รักไม่ผักที่ชังเนี่ยเอาตนเองเข้าไปสมาน ร, ร่วมแก้ไขปรับปรุงร่วมช่วยกันพิกษุหรือสมณะชีพามก็พึงทําหน้าที่เป็นกัิญาณมิตรต่อชาวบ้าน คือหน้าที่ของพระสงฆ์เนี่ยตอกกระบุตรตามหลักหลักทิศเบื้องบนพระสงฆ์เป็นมิตรแท้ประเภทมิตรแนะนําประโยชน์แต่หน้าที่ของพระสงฆ์นั้นก็ต้องข้ามไปอีกเป็นเจ็ดข้อเออเป็นหข้อเนี้ยห้ามปรามสอนให้เว้นจากความชั่วอนนี้พระหน้าที่ของพระแล้วก็นแนะนําสอนให้ตั้งอยู่ในความดเีเรื่องแยกระหว่างอันนี้เป็นกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตอันนี้เป็นกายัสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริต อันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกปะามิจฉาวาจามิจฉากรรมตามิจฉาอาชีวามิจฉาวิมารมิจฉาสติมิจฉ า, าสมาธิอันนี้เป็นสมาทิฏฐิสมมาสังกปะาสมมาวาจามสมมากรรมตาสมมาชีวามัมาวาิมารสมาสติสมมาสมาธิแยกควยชัดอะไรที่ความชั่วนไความชั่วเนี่ยผลของความชั่วจะลงอภาัายทุกขเวทวิทยาบัติในโลกประสบความเจ็บปวดเดือดออร้อนยังไงผลความดีเข้าสุคติโลกสวรรค์เป็นต้นยังไงอันเนี้ยพระต้องแยกให้ชัดพระสงฆ์ทุกวันเนี่ยโดยมากไม่ค่อยแยก ไม่กล้าจะแยกแยะกลัวยอมโกรธบ้างอะไรบ้างสามารถใช่ไมไม่มีวิธีการในการที่จะห้ามปลามหรือนํนำสั่งสอนอนุเคราะห์ด้วยความปรารถนาดีนี่เพิ่มนะให้ได้ฟังได้รู้สิ่งที่ยังไม่เคยรู้ไม่เคยฟังอันนี้เป็นหน้าที่ที่เราศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าว่ายอมเนี่ยได้ข้อมูลแค่ไหนก็เพิ่มให้เรื่อยๆชี้แจงอธิบายทาสิ่งที่เคยฟังแล้วให้แจ่มแจ้งอันนี้ ให้ที่ยังไม่ชัดให้เข้าใจชัดขึ้นบอกทางสวรรค์ก็คือสอนวิธีดําเนินชีวิตให้ประสบความสุข mm hmm. นี่หน้าที่ของพระสงฆ์เนี่ยเป็นไ ป, นปนตามหลักสัมพันธ์กันระหว่างกันะสง์กับชาวบ้านเนี่ย mm hmm. ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุทั้งหลายพรามก็ทำบุญดีชาวบ้านทั้งหลายเป็นผู้มีอุปการะมากแก่เธอทั้งหลายเป็นผู้บํารุงเธอทั้งหลายด้วยจีวรบ้างอาหารที่อยู่อาศัยคีฬาทั้งปัจจัยเภศัตชบริขาร อาแล้วแปลว่าอะไรเนี่ยวัตถุทานเนี่ยเป็นหน้าที่ที่ชาวบ้านต้องดูแลพระสงค์แม้พวกเธอก็จงเป็นผู้มีอุปการะมากแก่พราหมณ์ขนณบดีทั้งหลายโดยการแสดงธรรมแล้วก็ต้องแสดงธรรมที่มีความงามในเบื้องต้นทำกลาง ท, ที่สุดด้วยเธอจงประกาศพรหมจรรย์พรหมจรรย์ศัพท์นั้นประกาศอะไรประกาศมรรคพรหมจรรย์ก็คือประกาศเอกายนามมรรคไง แนวทางหรือหนทางที่จะดําเนินไปสู่ชีวิตที่ประเสริฐเลิศแล้วก็เป็นอิสระเสรีภาพที่แท้จริงใช่ไหมคำว่าประกาศพรหมจันทร์เนี่ยพรหมจันทร์หรือจริยาพรหมจริยะเนี่ยพรหมจันทร์ก็คือพรหมจริยะก็คืออะไรการคลองชีวิตที่ประเสริฐใช่ไหมการคลองชีวิตที่ประเสริฐนั่นเป็นชื่อของมาก็หมายความว่าสามารถเอาศีลสมาธิปัญญานะั้นมาประชุมในกระแสชีวิต แล้วก็ดเนินชีวิตของตัวเองนั้นนะเข้าสู่ความบริสุทธิ์ประเสริฐบริสุทธิ์หมดจดเป็นอิสระเสรีภาพจากกิเลสได้อย่างแท้จริงเขาเรียกว่าเป็นชีวิตที่ประพฤติพรหมจรรย์อย่างพวกเราเนี่ยเขาเรียกว่าพวกนักบวชเขาเรียกพวกประพฤติพรหมจรรย์พรหมจรย ร, มจรย์ก็คือการประพฤติอย่างประเสริฐใช่ไหมเป็นผู้ที่ไม่ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้ว ไม่เกี่ยวข้องด้สีเสียงกลิ่นรสผลิตภาณและธรรมารมที่น่าปรารถนาน่าชอบใจชวนให้รักชักให้ไข้พลาใจให้กำหนัดแล้วออกมาหมดแล้วแล้วหมดสถานะทางสังคมเรียบร้อยแล้วไม่มีสถานะทางสังคมหลงเหลืออยู่เลยทําลายทิ้งเกลี้ยงเลยนะป้องผมและหนวดนุ่งผมผ้ากาศวัพัฒน์เป็นผ้ายอมน้ําฝาดเขาก็รู้เนี่ยยังรักษนาดนี้ก็คือเป็นสมณะเชื้อสายส า, ยสายกยบุตรพุทธชินยลดเลยไม่ต้องขึ้นตรงต่อใครอีกต่อไปมีพุทธเจ้าเป็นหลัก มีธรรมะวินัยเป็นหลักมีธรรมะวินัยเป็นจุดหมายเป็นเป็นเป็นเครื่องอ้างอิงเออเนี่ยนะอ่ะอย่ายกตัวอย่างให้เห็นชัดนะการฤทธิ์พรหมจรรย์ <c oughs> เออพระรัปาละออกบวช ท, ท่านเป็นคนเกิดในตระกูลที่มีทรัพย์ทีแรกจริงๆเนี่ยไปฟังทรมุทเทศที่พระยาทรงสแสดงเนที่บอกว่าชีวิตเนี่ย ในชีวิตเนี่ยความเป็นอยู่ของชีวิตทั้งหลายเนี่ยมันไม่มีที่ต้านทานเพาะงั้นเดี๋ไม่มีเครื่องต้านทานเลยแล้วก็เป็นทาตของตัณหาถมเท่าไหร่ก็จะไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักอิ่มฉะนั้นน่ะชีวิต ป, ปลอดปรองที่สุดก็คือนักบวชนี่แหละที่จะทําตนเองให้ออกจากกิเลสออกจากตัณหาเป็นต้นได้และไม่ต้องเป็นทาตของกิเลสตัณหาอีกต่อไปเพราะท่านรู้หลักการอย่างนี้ปุ๊บและต่อมาเนี่ยท่านไม่กล้าไปประกาศตนเองแตง่ตนหน้าพระพุทธเจ้าจะบวช ท่านไปคุยกับพระริเท่านเข้ามาเบ็ดเต็ดมาอยู่ที่บ้านแล้วท่านก็บอกกับพ่อแม่ว่าอยากจะบวชพ่อแม่บอกไม่ได้วิโูคนเดียวท่านก็บอกไม่เป็นไรถ้าพ่อแม่ไม่บวชไม่ให้บวชก็จะจะไม่ทํากินอย่างอื่นแล้วข้าวก็จะไม่กินอะไรก็จะไปกินท่านก็ไปนอนนอกชาดเลยพ่อแม่ก็นึกเอ้ยไปชดนี่ไม่ใช่ถ้าไม่เลยระชดเลยท่านมีหลักการเดียวคือท่านต้องการประพุทธิมาจัด ทำอย่างนั้น่วัน3วัน4วันหวัน6วันเออหนักเข้ายุ่งเลยทีเนี้ยเอาเพื่อนมาพูดมาอะไรก็ไม่สนใจที่สุดจริงๆพ่อแม่อนุญาตบวชลุกพวดพวดขึ้นมาพ่อแม่นึกว่าเดี๋ยวไปรับบากก็กลับเองที่ไหนได้ไม่เลยไปจนสามารถหายไปนานเป็นเจปปีจนบรรุกลับมาบินธบาตข้างบ้านยมพ่อยมเนี่ย ไอคนใช้อ่ะเอาขนมบูดจะไปทิ้งท่านเห็นปุ๊บบอกว่าน้องยิงถ้าจะเอามาทิ้งก็มาใส่ที่บาทอาตมาเออครับนี่เข้ามาใส่ดิพอใส่เบ็ดเสร็จท่านก็ปูอาสนะก็นั่งฉันขนมบูดแต่มันยังไม่เสียเลยท่านมาคนรวยเนี่ยหมดอายุก็ทิ้งเยอะแต่จริงมันยังเป็ประโยชน์อยู่กินพอคนใช้มาดูใกล้ใก้อา้านี่นายนายของเรานี่เรียบวิ่งไปไบอกเอา บอกเจ้านายบอกกับนายผู้ชายมาแล้วพ่อก็รีบกลับมาโอ้โหเห็นกินขนมอย่างเงี้ยบอกรู้ทำไมมาทำแบบนี้ทำไมไม่เข้าไปในบ้านอาหารทรัพย์สมบัติของเราอะไรต่างเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านขึ้นอาวดีน อาตมาเนี่เป็นสมนะเชื้อสายสากยปุตุัชินอรสโอ้โหบอกเนั้นเงินวันพวกนี้นิมนต์ังนั้นไ้นิมนต์ในป้ไปโอ้โหเขาเตรียมแผนกันอย่างที่บ้านเตรียมแผนเตรียมทรัพย์สมบัติของปู่ตายายายายเอาผ้าคุ ม, มแล้วก็ของคนพ่อส่วนตนแล้วก็ให้ภรรยามีภรรยาหลายคนภรรยาสองคนสาคนให้แต่งตัวอย่างงามมาคอยรอ พอมาถึงปุ๊บเสด็จทีก็เปิดแล้วเนี่ยทรัพย์ส่วนของปู่ตายายๆน่เป็นของเจ้าเอาเะยรจนี้อันนี้ก็เป็นของเจ้าเป็นของเจ้าเลยทั้งหลายเหล่านี้ท่านก็บอกว่าถ้าเป็นของอาตมาให้อาตมาเนี่ยจงเอาทรัพย์เหล่านี้เงินทองเหล่านี้ใส่เกวยนแล้วไปทิ้งทะเลให้หมดสะดงไหโอ้สดเลยอ่ะ ุดเลยพอหลัง ท, ท่านฉันเสร็จหลายเสร็จเนี่ยนะท่านบอกเอาให้ไปทิ้งทะเลให้หมดเพราะไอ้ซับเหล่านี้นี่แหละทำให้ฉันและทำให้ท่านต้องเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็จมอยู่ในสังสารวัตนับพบนับชาติไปทุ่วนโอ้โหพอภรรยาโล่งเงิดเป็นลมลงไปเลยแล้วก็ลุกขึ้นชี้เจที่ภรรยาบอกว่ า, อาบอกว่าหน้า หน้าที่เยิ้มด้วยยาหยอดหน้าที่ไล่ด้วยจุนตาที่เยิ้มด้วยยาหยอดปากที่เป็นสีแดงเหมือนกับเท้านกพิราบ พ, พอจะหลอกคนโง่ให้หลงไหลชื่นชมได้แต่จะหลอกบุคคลที่ปรารถนาฝั่งคือพระนิพพานไม่ได้บาียาสลบเลยไล่ลไปตามลำดั บ, บโอ้โห คือหลอกคนโง่ได้คุณทาไปที่มันก็อีดินน้ำใบลมตกแต่งที่หลอกได้หลอกคนโง่ได้ไหมหลอกคนที่ยังติดแน่นอยู่ในกรรมวัต ถ, ถุการมวัตถุกรรมเป็นต้นหน่ดได้แต่จะหลอกคนที่มีสติปัญญาที่ปรารถนาฝังคือพันิพาไม่ได้ <laughs> เพราะเขาเลยหมดแล้วเขาได้ความสุขที่เกินนี้ไปแล้วเขาไม่ได้มีความสุขอยู่การรมาสุขอยู่กับการทั้งเนื้อหนังแล้ว ความสุขของเขาประณีดกว่าดีกว่าเลือดกว่าและประเสริฐกว่าเขาได้สัมผัสความสุขระดับที่พ้นจากกิเลสและกองทุกข์เขาจะมาเป็นธาตุของกิเลสในการเกือกลัวกระสิ่งเน่าในเปียกแขย่างนี้ทําไม <c oughs> เอาอะไรสิเดี๋ยนี้ขนาดนั้นนะครับ <c oughs> เห็นไหมเนี่ยฉะนั้นการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยมันเป็นการประพฤติที่ประเสริฐนะก็คือเขาต้องการอยากจะเป็นอิสระเสรีภาพไม่ต้องไม่ต้องขึ้นตรงต่อกิเลสอีกต่อไป ทรัพทั้งหลายอำนาจทั้งหลายยศทั้งหลายเกียรติยศชื่อเสียงทั้งหลายเหล่านี้ันเป็นธาตุของบุคคลที่มีปัญญาเขาเนิสระปัญญามีปัญญาอยู่เหนือทรัพมีปัญญาอยู่เหนือบุตรภรรยาญาติามิตรมีปัญญาอยู่เหนือกามคุณกามคุณกับกาเป็นธาตุของคนกลุ่มนีน้แต่คนที่ไม่พัฒนาให้มีนิสระปัญญาก็กาเป็นธาตุของวัตถุกรมเป็นเลสกรรมต่อไป เออเนี่ยนยีตอนนี้ใจเราก็ยังก้ากึง่งก้ากึ่งกันอยู่ใช่ไหมเออจะเอาอยัางไงใช่ไหมระหว่างกลับกายไปเป็นธาตุของกิเลสสกามไปหมกมุ่นอยู่กับวัตถุกรรมหรือจะพัฒนาตนเองให้อยู่เหนืออยูเหนือกิเลสสกรรมและวัตถุกรรมแล้วก็ใช้ปัญญามาเอาสิ่งเหล่า น, นี้มันเป็นธาตุซะเลยหรือเราจะยอมเป็นธาตุทังมันก็ไปพิจารณาดูเอาไงดีถ้าพูดมอามจรรย์เราก็อยู่เหนือทรัพย์อยู่เหนือบริวารญาติมิตร อยู่เหนือวัตถุ ก, กรรมและกิเลสกรรมแต่ทําไม่ประพฤติพรหมจรรย์แล้วก็กลับไปเป็นทาตุเขาอย่างเดิมมันก็มีชีวิตสองทางนี่แหละที่เลือกเอาจะไปคับแคบบกพ่องตีบตันใช่ไหมที่บอกว่าพระโหกิจโยไปมีกิจเยอะๆอย่างเก่าพระโหกรณีโยไปมีกิจมากๆอย่างเก่าพระโหราชัพปัตโธช่องทางที่คับแคบพระโหอาพาโทมีแต่ความเครียดความกุ้มความทุกขทุก พระโหปุญญจราโยเป็นอันตรายต่อบุญอย่างมากเลยโอกาสจะได้บุญไม่มีเลยไปเป็นธาตุของกราคาตโทสะโมหะแล้วก็เป็นธาตุของวัตถุกรรมนะยอมรับใช้เข้าไปหรือจะเป็นอิสระเสรีภาพพัฒนาเป็นนิสดาณปัญญามีปัญญาที่อยู่เหนือหรือเป็นอิสระต่อสิ่งเหล่านี้ใ น, นการพิจารณางั้นพุทธจ้าก็บอกว่าให้แสดงธรรมเนี่ยให้แก่คารวะเขาให้มีความงามในเบื้องต้น ศีลสมถาวิปัสปนาเป็นความงามในเบื้องต้นอริยมรรคเป็นความงามในท่ามกลางผลและนิพพานเป็นความงามในที่สุดก็ได้นรือจะบอกว่าศีลเป็นความงามในเบื้องต้นสมาธิเป็นความงามในทถ้ำกลางนิพพานหรือปัญญาเป็นความงามในที่สุดก็ประกาศพรหมจรรคคำว่าประกาศพรหมจรร์ในที่นั้นประกาศอะไรประกาศอริยมรรครับพรหมจรร์วโสดาปิมรรคในประเสริฐไหม ถ้าสามารถประชุมศีลสมาธิปัญญาในโสดาปันิมรักได้สกอาทาคารมีมรักได้นาคารมิมรักษ์อัตถมรักได้โอ้โหเลิศมากประเสริฐมากเนี่ยสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเลิศที่สุดก็คืออรอยิยมรรคมีองค์แเลิศที่สุดประเสริฐที่สุดพร้อมทั้งอาาัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบู์สิ้นเชิงนะแก่พรามขา้ามบุรีเหล่านั้นไประกาศหลักการว่ามีบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงก็คือถ้าเขาไม่เข้าใจศีลไปบอกพยัญชนะบอกบอก นีศีลมันคือตัวพยัญชนะเขียนแบบนี้แบบนี้อัถะเนื้อความเป็นอย่างนี้ศีลเนี่ยนะศีลเนี่ย ท, ที่แปลว่าสภาวะที่ตั้งไว้โดีๆอะไรตั้งไว้ดีดทํากายกรรมวิจิกรรมและอาชีพให้ตั้งไวด้ดยดีไม่เกลื่อนกล่นไม่กระจัดกระจายไม่สซ่านไปด้วยความเป็นผู้ทุศีล <c oughs> เอาว่าฝึกศีลแล้วเนี่ยเป็นยังไงเอาผลของกุศลศีลเป็นยังไงกายก็บริสุทธิ์วาจาก็บริสุทธิ์อาชีพก็บริสุทธิ์ สภาพจิตใจก็ดีอาแต่เนี้ยนะเออศีลเป็นอย่างนี้นะศีลเป็นเป็นฐานต่อปราโมทปิติปสัสสธิสุขนะแล้วก็เป็นฐานให้เกิดสมาธิคือความตั้งจิตมันสมาธิก็เป็นฐานปฏิบัติการของปัญญายัางไงนั้นการไปบอกศีลสมาธิปัญญาบอกทั้งพยัญชนะบอกทั้งอัฏฐะเนื้อความให้เขาได้เกิดความเห็นว่าโอ้โหไม่มีอะไรเลิศเท่ากับศีลสมาธิปัญญาหรือข้อฝึกนี้เลย ถ้าศีสมาธิปัญญาสามารถเอามาประชุมไว้ในกระแสชีวิตนําพากระแสชีวิตเนี่ยให้ออกจากสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายจะทําให้ชีวิตนั้เข้าถึงความประเสริฐเข้าถึงความเลื่อเขาเรียกประพฤติพรหมจรรย์วิทยาให้ประกาศประกาศประกาศนี่แหละประกาศหลักการของศาสนาตัวนี้ศาสนาอันต่างด้มรรคพรมจรรย์นี่แหละให้ถึงพร้อมในอัฏฐาและไยัญชนะบริสุทธิ์บริบูนสิ้นเชิงแก่สมณพราหมณ์พระบิดีเหล่านั้น และพุทธยากับภิกษุทั้งหลายคือรหัสและบรรพชิตอาศัยซึ่งกันและกันอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ น, นี้เพื่อมุ่งหมายจะสลัดเสียซึ่งโอคะเห็นไหมว่าไม่ว่าจะเป็นคารวะก็ดีนักบวชก็ดีเนี่ยอาศัยเป็นอัญญาบัญญ่าต่อกันเนี่ยซึ่งกันและกันเนี่ยเกื้อหนุนกันกเพื่ออะไรจะนําพาจูงกันเกื้อกูลกันออกจากกามโมคะ โ, โอคาคือกามออกจากกิเลสกรรมวัตถุกรรมให้ได้ออกจากภพอโอคาโอคาคือพบ ออกจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกจากการมาพบรู้พบรู้พไม่ได้ออกจากทิฏโคะโอค้าคือทิฏฐิความทัศนะความเห็นที่ผิดทั้งหลายเนี่ยออกจากสิ่งไรเนี่ได้ออกจากอาวิโชคะโอคะคือความมืดบอดคืออาวิชาคือความไม่รู้ตามความเป็นจริงฉะนั้นหน้าที่ของนักบวชกับฆราวาสต้องเกื้อหนุนกันช่วยเหลือกันในการจงกันแนะนำกันออกจากโอค้าให้ได้ไม่ใช่ว่าอะไรนะอย่างภาษาเหนือก็ว่าตุเจ้าตาดีจุงศสธาตาบอด ค่ดีนเขาได้ไหมแหมที่แรกแหมอวดเก่งมากอยากจะไปสอนโตในหมายพระตโตเจ้าตาดีจงศรัทธาตาบอดเนี่ยก็คือว่าอวดต้องการอยากจะไปสอนคนชาวบ้านแล้วจะจงเขาจงไปจงมาไปไม่รอดใช่ไหมโตเจ้าไปบ่ฮอดศรัทธาตาบอดจงโ๊เจ้าตาดีค่ดี แต่เนี่ยอดเก่งทั้งๆทงี่ไม่ได้รู้หลักการาศาสนาเลยแท้จริงหลักรู้เท่าไหรก็รีอยากไปสอนเขาอยากไปแนะนําเขาไปรอดไหมไม่รอดนะเขานะเขา้าชาบ้านก็จูงผ้าออกจากวัดก็ไปเป็นสามีเขาบ้างไปเป็นทาสเขาบ้างเนี่ยไหมเนี่ยไปไม่รอดไอ้สตาตาบอดก็จงโต๊ะเจ้าตาดิจูงเลยจูงพระก็เรียบร้อย ท, ทําทีทาําท่าไหมอย่างมันเนี่ยไปสอนอดีตภรรยาอดีตแฟนเลยก็ว่าไืออดีตใครก็ได้แต่ ที่เราเคยรู้จักแหมไปยอมผู้หญิงสอนเขาต้องอย่างนั้นนะประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นเนี่ยเขาก็โอ้โหดีดี ด, ดีพระสอนแล้วที่ไหนได้เด้เหลี่ยมเขาเยอะไหมตัณหาก็เยอะนะเขา้านเขา้าพิกซ้ายพิกขวาใครจูงใครยอมจูงยอมก็จูงยอมก็จงพระออกจากวัดนู่นแหละไปรับใช้เขาตอบโน่นโถบ้าน่นนไปท ำ, ทำนู้นตามนี้ โอ้ยแย่เลยเนี่ยฉะนั้นกรณีอย่างนี้ก็คือว่าภิกษุครือข่ายและบรรพชิตอาศัยซึ่งกันและกันอยู่ประพฤติพรหมจันทร์คือศีลสมาธิปัญญาผู้มุ่งที่จะสลดเสียซึ่งโอฆาดังที่ได้กล่าวเพื่อทําความจบสิ้นทุกข์โดยชอบด้วยประการอย่างนี้ก็คือว่าต้องการที่จะทํำให้หมดสิ้นจากกิเลสและกองทุกเห็นไหมจุดหมายนี่ชัดเลยไหมก็คือต้องการเข้าถึงนิโรธตัวเองนะต้องตั้งจุดหมายคือนิโรธเข้าไว้ นนั้ที่เราสอนกันแนะนํากันหรือประพฤติปฏิบัติเนี่ยมีเพื่ออะไรเนี่ยหนึ่งเพื่อรู้จักทุกสองเพื่อรู้จักทุกสมูทัยคือเหตุได้เกิดทุกว่าทุกเป็นกิจทีควรควรรู้ควรกาหนดรู้สมูทัยเป็นกิจทีควรละควรประหารควรกําจัดมันนิรอดเป็นกิจที่ควรทำให้แจ้งนี่เป็นจุดหมายมาร์กเป็นกิตกิจทีควรบาเพ็ญควรเจริญควรอบรมเออที่สุดศึกษาเสร็จก็นาข้อสุดท้ายนี่แหละทำสมาทิฏฐิเป็นต้นให้เกิดขึ้นนี่นัน ผู้คองเรือนและผู้ไร้เรือนทั้งสองฝ่ายอาศัยซึ่งกันและกันย่อมบำเพ็ญให้สำลิศซึ่งพระศัทธรรมที่เป็นโยค ะ, ะเกษมอันยอดเยี่ยมเอาล่ะสิเห็นไหมว่ายัางพวกเราเขาเรียกพวกไรเรือนอย่างคราวาทั่วไปเขาเรียกพวกมีเรือนมีเรือนคืออะไรรู้ไหม พวกที่ยังติดอยู่ในสีเสียงกินรถโภพลาอันน้าปราถนาหน้าไข้หน้าพอใจชวนให้รักชักให้ไข้าพาใจให้กำนัดอยู่นี่พวกพวกมีเรือนแต่พวกไร้เรือนนี่แปลว่าไม่ติดแล้วไปที่ไหนก็ได้เออตอนนี้เราติดไม่ติดเนี่ยไปที่ไหนก็ติดเลยเลยเนยี่ไม่เขาโยโยงคนไร้เรือนไม่มีเรือนต้องอย่างนั้นเออเนี่ยพุทธพจน์จะเป็นไปในลักษณะอย่างนี้จะเป็นการโยค่าเกษตรมันยอดเยี่ยมเลยถ้าก็คือบำเพ็ญ ให้สำเร็จก็คือเป็นพระสัจธรรมพระสัจธรรมในที่นั้นก็คือมีทั้งปริยัติสัจธรรมปฏิเวทสัจธรรมเออปฏิปติสัจธรรมและปฏิเวทสัจธรรมก็ได้หรือชื่อของศีลสมาธิปัญญาศึกขาสามนี่แหละรวมทั้งหมดก็คือศึกษาทั้งหมดเนี่ยคุมทั้งพระสัจธรรมทั้งหมดเล ย, เยปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเป็นพระสัจธรรมนะปริยัตก็คือการเรียนการเรียนการ้เกิดความรู้ความเข้าใจปฏิบัติก็คือนํา สิ่งที่เรียนที่ศึกษามาฝึกฝนมาพัฒนาทำให้มีทำให้เกิดขึ้นเมื่อได้รับผลที่เกิดขึ้นมาก็เรียกปฏิเวทสัจธรรมถ้าพูดถึงการศึกษานี่คมหมดเลยนะคมทั้งปฏิญาตปฏิบัติแล้วก็กระทบไปถึงปฏิเวทเลยเตรงนี้ก็มีพุทธพจน์อีกหนึ่งยืนยันการช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ชาวบ้านโดยเฉพาะที่ชอบธรรมบอกว่าถูกอย่างนั้นในบ้านตถาคตจะรสมรการเ อ, เ อ, เอื้อเอ็นดู ส ร, สริสรสนการช่วยรักษาและกระเสริญการใ น, นดุค้อแก่กุลบุตรแก่สะกุลทั้งหลายโดยอเนกปริยายะก็คือโดยโดยโดยมากออความเป็นกัญยาณมิตรของพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทาต่างทางธรรมะโดยเมตตากรุณาของชาวบ้านนังกล่าวนี้ก็จะต้องรักษาลักษณะและและลักษณะพิเศษแห่งการชีวิตที่เป็นอิสระและความเป็นส ม, มณะไว้ด้วยเนาะมิให้กลายเป็นการคุกคีตรงนี้ต้องระวัง สา ม, มัคคีได้แต่ห้ามคุกครีครุกครีกับกระลอหัดเนี่ยนี่เป็นโทษเป็นการผิดวินัยจะทำให้เกิดผลเสียแก่ทั้งสองฝ่ายกลายเป็นเครื่องขัดขวางความก้าวหน้าในศีลสมาธิปัญญาไปเลยนตรงนี้นะต้องระวังในการปฏิบัติธรรมของตนเองและทำให้ชาวบ้านขาดที่พึ่งและมีแต่คนที่ยังวุ่นวายตกอยู่ในสภาพเช่นเดียวกับพวกเขาไม่มีหลักที่จะช่วยเนียวเขาให้ออกให้พ้นไปจากความสับสนวุ่นวายได้ ฉะนั้นลักษณะความสัมพันธ์ที่มันเกิดความผิดพลาดขึ้นมาที่ประสงค์กลายเป็นผู้ตกลงอยู่ในสภาพวุ่นวายติดแหติดอวนอย่างเดียวกับชาวบ้านดังนี้แต่นี่ชาวบ้านเหมือนกับปลาที่ติดอวนติดแหใช่ไหมไปไปมาเนี่ยไอปลาตัวนี้ก็อยากจะไปช่วยปลาที่ติดแหติดอวนไปไปมากลายไปไปติดซะเลยยุ่งไหมตอเนี้เอาเลยไปชาวบ้านก็ทกกระทุกด้วยสุก็สุขด้วย เขาเครียดก็เครียดด้วยเขานอนไม่หลับก็นอนไม่หลับด้วยเขาว้าวุ่นหาเงินหาทองก็หาเขาด้วยก็าหาลาภยอหาเกียรติเยอชื่อเสียงก็ไปหาเขาด้วยวุ่นวายเดือดร้อนโอ้โหพิพชภาสเลยแต่เนี้ยเนี่ยสัมพันธ์พ <s> ิชภ <s> หมดความสามารถที่จะช่วยดึงชาวบ้านออกไปสู่ความมีอิสริช น, นี้ท่านเรียกว่าเป็นอาการที่ถูกมนุษย์จับไว้ในพุทธพจน์จะบอกว่าดูก่อนภิกษุ การถูกมนุษย์จับไว้เป็นฉนให้กล่าวคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้คุกคีกับครหอข่าทั้งหลายรื่นเริงด้วยการโศกเศร้าด้วยกั น, สกสกนเมื่อเขาสุขก็พลอยสุขกับเขาด้วยเมื่อเขาทุกข์ก็ทุกข์กับเขาด้วยเมื่อเขาเกิดกิจทุระขึ้นก็เข้าจัดแจงเจ้ากี่เจ้าการว่างั้นเถอะด้วยตนเองนี่เรียกว่าถูกมนุษย์จับไว้โอ้เดี๋ยวนี้ต้องระวังนลนักบวชไปทํากิจอย่างนี้เยอะหมดเลยโอโหเนี่ยรับผูกผ้ารับจัดงานให้ชาวบ้าน ชาวบ้านจะแต่งงานรับเป็นเจ้ากี้เจ้าการจัดงานให้ได้เลยเนี่ยเนชาวบ้านเขาจะจัดงานฉ ล, ลองฉลองเมื่อแต่งงานแล้วรับจัดงานในวัดงานศอกพระไปจัดเองเลยเนี่ยจัดแจงเบดเตจนะครับนะ่ยเข า, เขากลายเป็นสุขกับเขาทกกับเขาโหยุ่งไหมวันนี้ย เนี่ยเมื่อปฏิบัติหน้าที่ในด้านการสั่งสอนโดยตรงกัลยาณมิตรก็ควรอยู่ในหลักปฏิบัติที่เน้นความบริสุทธิ์เน้นความเมตตากรุณาเมตตาว่าไปด้วยความจริงใจต่อไปด้วยในหมวดธรรมที่ทรงแสดงอีกอย่างหนึ่งก็คือธรรมเทศนาหรือธรรมเทศนาธรรมเทศกาธรรมะก็แปลว่าธรรมะของผู้แสดงธรรม5ประการใน5ประการก็คือหลักการของผู้ที่จะแสดงธรรมเนี่ยต้องมีหลักการนหนึงก็คืออนุ ป, ปพิกถา เครดิตครับนี้ไหมคือสอนให้มีขั้นตอนถูกลําดับแสดงธรรมหรือเนื้อหาตามลําดับความยากง่ายลุ่มลึกและมีเหตุผลสัมพันธ์ต่อเนื่องกันไปโดยลําดับถ้าเป็นอนุปปิกถาที่บอกว่ากล่าวเรื่องทานกล่าวเรื่องศีลกล่าวเรื่องสวรรค์กล่าวเรื่องโทดของกามแล้วก็เนกขมะไอสงการออกจากกามแล้วก็สรุปลงในทุกสมุทัยนิโรธมัก อันนี้เป็นอนุบุพีกถาเป็นตามลาดับนะีปริยายาทัศวีก็คือจับจุดสำคัญขยายให้เข้าใจเหตุและผลชี้แจงให้เข้าใจชัดในแต่ละแง่ในแต่ละประเด็นอธิบายยักยักเยื้องไปต่างๆให้มองเห็นกระจ่างตามแนวของเหตุผลอันนี้เป็นหน้าที่เนะเป็นไหมเป็นคนอธิบายอะไรแล้วเข้าใจชัดขึ้นไหมสื่อสารกับใครอันนี้ต้องฝึกเพราะต่อไปก็ต้องทาหน้าที่ใช่ไ ในการนะที่เราสื่อสารอะไรไม่ชัดมันมาจากอะไรรู้ไหมมาจากการฟังฟังไม่เป็นไปตามลําดับถ้าคนบางคนถ้าฟังแล้วฟังอีกฟังจนได้ลําดับจับประเด็นอะไรได้เมื่อไหร่นะเขาเวลาสื่อสารจะเป็นคนที่สื่อสารชัดอนุทิยาตาก็คือตั้งจิตเมตตาสอนด้วยความปรารถนาดีสอนเขาด้วยเมตตามุ่งให้ประโยชน์แก่ผู้รับคําสอนสอนด้วยกรุณามุ่งให้เขารับประโยชน์ ให้ผู้สอนได้รับประโยชน์สอนด้วยมุทิตายัางไงเนี่ยลักษณะอย่างนี้เป็นอนุทยาตาหมดเลยนะจะเป็นโดยเมตตากรุณาหรือโดยฉันทาวุเรียจิตตาปัญญาเนี่ยเป็นตัวขับเน้นในการกล่าวในการบอกในการแนะนำอุปหจจา ก, ก็คือวางจิตตรงไม่กระทบตนและผู้อื่นบางคนเวลาไปสอนปุ๊บเนี่ยกระทบตนก็คือยกตนตาหนิตนบ้างใช่กระทบคนอื่นก็บําหนิคนอื่นอ๋อไอเรานี่แย่ ถ้าท่คนอื่นเนี่ยคนอื่นแยงที่พูดเสียดสีตนเองเสียดสีคนอื่นเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนคนอื่นที่คนยกตนเองไปข่มคนอื่นนี่เลยต้องระวังเลยเกิเรื่องการกระทบทั้งนั้นกระทบดีและไม่ดีก็เรียกว่ากระทบนี่แปลว่าตั้งจิตเนี่ยไม่ตรงตั้งจิตไม่ตรงดังนั้นต้องตั้งจิตให้ตรงนะสอนด้จิตเมตตาแล้วไม่พอก็คือต้องขออภัยนะอามิตษานามิสันดอนด้วยนะ สันตระเนี่ยก็คือไม่มีจิตเพ่งเล็งมุ่งอมิตรเลยสอนเขาไม่ใช่มุ่งที่ตนจะได้ลาบสกาละได้สินจ้างได้ผลประโยชน์ตอบแทนโหตรงนี้ต้องวางใจบางทีไปสอนเขาเนี่ยจิตลาโมกมันเกิดขึ้นเออเราจะได้รับชื่อเสียงเราจะได้รับการอนุเคราะห์เกื้อหนุนเราจะได้ลาบสกาละเสียงสรรเสริญเยนยองเราจะดูเด่นขึ้นมีชื่อเสียงมากขึ้น ไปไหนคนก็จะรู้จักโอ้ยอย่างเงี้ยจิตลามกหมดเลยอย่างเงี้ยเขาห้ามเขาห้ามว่าตั้งท่าทีทางใจอย่างนี้ต้องสอนด้วยจิตไม่เพ่งเล็งเหล่านี้เลยต้องเกื้อหนุนต้องการถอนทุกในใจเขาจริงๆเลมันเหมือนว่าเราเห็นตะปูในใจเขาเต็มไปหมดด้วยราคาโทรศัพท์มืห้าเรต้องการถอนตัวนั้นแหละต้องการถอนความหินผิดเขาให้เขามีสมาธิ คืต้องการฝึกเขาจากคนไม่มีศีลนี่มีศีลจากคนที่ไม่มีสมาธินี่มีสมาธิจากคนที่ไม่มีปัญญามีปัญญาจากคนที่ฝึกผลพัฒนาไม่เป็นไม่ได้เลยให้เขาฝึกผลพัฒนาเป็นและได้จากคนที่ไม่มีศรัทธาเลยให้เขามีความเชื่อมั่นใช่ไหมบางคนไม่มีศรัทธากันในตัวเองเลยนะไม่เชื่อตัวเองว่าจะทําได้อย่างนี้แปลว่าเขาไม่มีศรัทธาปลุกเร้ายังไงเขาเกิดศรัทธาเกิดความเชื่อมั่นหน้าที่ต้องเป็นอย่างเงี้ยวางจิตตรงไม่กระทบตนและผู้อื่นทั้งที่เราบอกนี่แหละ สอนตามหลักเนื้อความมุ่งแสดงอัฏฐะแห่งธรรมะไม่ยกตนไม่เสียดเสียคมเอาเวลาแสดงธรรมเอาอะไรเด่นเอาตอนเองเด่นหรือธรรมะเด่นเออต้องแสดงให้ธรรมะเด่นต้องแสดงให้พรุทธเจ้าเด่นอย่าไปายกตัวเองเด่นไปขวางธรรมะทะ่านนี่ตรงนี้สําคัญมากตรงนี้ก็พูดถึงในเรื่องของธรรมเทสกะธรรมะธรรมคำพูดแสดง ในเวลาผู้จะไปแสดงหรือคนที่จะไปชี้แจงไปสนทนาอะไรกับเขาต้องมีธรรมะ5ประการนี้เป็นหลักดําเนินนะไม่ใช่ว่าไปคุยกับคนเลื่อยเปื่อยไม่มีหลักก็เห็นไหมแล้วไปคุยกับใครเนี่ยไม่ได้ตั้งลําดับว่าเออเราจะคุยให้เป็นตามลําดับตามขั้นตอนอยังไงและในขณะที่ไปนั่งสนทนากับเขาเราจะจับจุดสําคัญขยายให้เข้าใจเหตุผลให้เข้าใจชัดยังไง ในแต่ละเน่ในแต่ละประเด็นเนี่ยยักเยื้องให้เกิดความรู้เข้าใจตามแนวของเหตุผลแล้วยังไงหรือว่าตั้งจิตเมตตาคุยกับเขาด้วยเมตตาคุยกับเขาด้วยกรุณาด้วยมุทิตาอย่างไรอันนี้สําคัญมากมีเจตนาที่ดีเนาะไม่ได้มีเจตนาชั่วร้ายแล้วก็วาง <c oughs> มีจิตไม่เพ่งเล็งเออแต่คุยแล้วเนี่ยเขาจะได้มีศรัทธาถ้าคิดอย่างงี้นะท่านนายบอกว่าเราจะคุยกับยอมคนเนี้ย แล้วต่อไปเขาจะได้มีศรัทธาแล้วเขาจะได้มีอาหารมาให้เราบ้างอะเงี้ยจริงๆนะคุยเพื่อให้เขามีศรัทธาถูกไหมให้เขามีศรัทธาต่อพรตนาไตรคือแยกตนเองออกจากพรตนาใจให้ชัดให้เขาเข้าถึงธรรมะเราต้องการสนทนาและคุยกับเขาเนี่ยเพื่อให้ใครเด่นให้ธรรมะให้หลักการให้พระเจ้าเด่นให้ธรรมวินัยนเด่นขึ้น บางคนไม่อย่างนั้นดีให้สังเกดตดูนะนั้นหลักการจะไปออสอบอารมณ์ก็ดีไปสนทนาธรรมก็เรื่องเดียวกันนั่นแหละคุยไปคุยมาเโอ้อาจารย์นี้สุดยอดยุ่งไหมโอ้พระรูปนี้เก่งนะเพราะงั้นเนียพูดอะไรชัดถ้อยชัดคำจริงๆหรอกยอมที่อาตมาพูดเนี่ยอาตมาต้องการให้ยอมเนี่ย โชว์ธรรมะเด่นเนี่ยที่พูดทั้งหมดเนี่ยเหตุผลที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าต้องเด่นขึ้นชัดขึ้นในใจของเขาเมื่อพูดเสร็จปุ๊บเขาต้องสามารถถึงพระราตนตรัยได้เอออย่างเงี้ยเขาเรียวกว่าการคุยการสนทนานมันชัดพอคุยปุ๊บเขากลับกลายมาเป็นธาตุของเรามาเนี่ยอะไรหมกมุ่นมาติดพันที่เราไ อ, อ้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าล้มเหลว เล้มเหลวในการประกาศหลักการอา้าวให้สังเกตนะอา้าวพระมหากัะจย น, นะสนธนากับกษัตริย์ที่ปัจจันตชน บ, บนุตตอนนั้นพระเจ้าปรินิพานแล้วพอสนธนาเสร็จปุ๊บโอ้โหท่านพูนี้ศัทธาขอถึงว่าเทราเป็นสารณนะท่านบอกอุ้ยไม่ได้ <laughs> บอกว่าให้ถึงโระเเจ้าเป็นสารณนะ ให้ถึงพระธรรมพระเลียสองเป็นสารพร ะ, พระสังฆะเป็นสารณะสิอา้าวแล้วพระพุทธเจ้าอยู่ไหนพระพุทธเจ้าป ร, รินิพานแล้วอา้าวแล้วทํายังไงจะถึงได้โอ้โหต้องชี้แจงยาวเลยเดิเนี้ยเยหลักเนี่ยธรรมวินัยเป็นหลักธรรมะวินัยเป็นศาสดราฉะนั้นการที่ท่านสามารถดําเนินเข้าสู่สีนสมาธิปัญญาได้สีนสมาธิปัญญา ก, ก็กลายเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยหลักเนี่ยหเห็นไหมว่าเห็นไหมว่าจริงๆว่าใครจะมาถึงเราเป็นสารณะต้องปฏิเสธอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ อันนี้พอจะชัดเจนไหมเมื่อคุยไป ค, คุยมาบอกโอ้ไอ้เจ้านี้เด่นเรื่อยเลยเนี่ยแต่ความธรรมมาสมุทธ h a หายไปไหนเนี่ยธรรมะก็หายไปสังขะก็หายไปทุกวันก็จะกลายเป็นแบบเนี้อย่างนี้ก็เรียกว่าเสียหลักการเลยเนยีเพราะว่างห้นเวลาแสดงธรรมต้องไม่มีจิตเพ่งเล็งมุ่งลาบสกาละ มุงว่าเขาจะได้รู้จักเราเขาจะได้นิมนต์เราเขาจะได้รู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนมีสติปัญญาดีเขาจะได้รู้ว่าเราเนี่เก่งมีความสามารถโอ้โหผิดเลยเวาเอาธรรมะที่มาแสดงเนี่ยถามเวลาคุยปุ๊บก็ถามยอมที่ยอมเข้าใจเหตุเข้าใจผลเนี่ยเพราะอะไร 1. นพ่งพโยมีกัลยาณมิตรแล้วกัลยาณมิตรเอาอะไรมาแสดงให้โยมฟัง อรยาธมิตรเอาพระธรรมวินัยก็อเอาพระศ า, าสดามาแสดงให้ฟังเราะฉนั้นเวลายอมเข้าถึงปัญญามีปัญญาขึ้นมีมีจิตสงบขึ้นมีความตั้งใจดีว่าจะฝึกฝนพัฒนาตนเองเกิดขึ้นป๊บจิตใจโปร่งลงเป่าอันนั้นแปลว่าธรรมะคือพระศ า, าสดาเริ่มกำลังขัดเกลายอมเรียบร้อยแลย้วยอมเห็นมยอมเห็นอาตมาหรือเห็นธรรมะข้อ น, นีอ้เห็นอาตมาเอ้ยไม่ได้ เห็นท่านนั่นแหละเพราะท่านเป็นผู้บอกเออจริงอาตมาบอกได้โดยไม่ไม่ผิดไม่ไม่ไม่ตกหลน่นยากเยั่งไปตามเหตุและผลเออันนั้นคือความดีแต่ความดีจริงๆคือธรรมะใช่ไหมธรรมะในใจในกระแสชีวิตของอาตมาต่างหาที่เสื่ อ, อ, อมไม่ยอมฉะนั้นยอมต้องเห็นตัวนี้ให้ได้โอ้โหการที่จะเห็นตรงนี้ยากไม่ยากเนี่ยากไหมยาก มันเห็นได้ด้วยปัญญานี่ไม่ได้เห็นได้ด้วยตาเนื้อนี่ยใช่หมล่ะเออตรงนี้ก็ต้องพยายามชี้แจงให้ชัดวางจิตให้ตรงด้วยไม่กระทบตนและผู้อื่นสอนตามหลักเนื้อหามุ่งแสดงอัฏฐ ธ, ธรรมะไม่ได้ยกตนเนื้อธรรมะแสดงธรรมะให้เด่นอัถฐเนื้อความนั้นให้เด่นตนเองก็เท่าเดิมไม่มีเพราะตนเองไม่มีอยู่แล้วใช่ไหมิูจทั้งหลายการสอนที่บริสุทิ์ไม่บริสุทิ์นะ พิกูตรรูปรูปใดแสดงธรรมแก่ผู้อื่นโดยมีจิตคิดอย่างนี้ว่าขอให้คนทั้งหลายพึงฟังธรรมะของเราและคั้นฟังธรรมะของเราแล้วพึงเลื่อมใสขอให้ผู้ที่เลื่อมใสแล้วพึงกระทาอาการเน่ยผู้เลื่อมใสแก่เราด้วยเถิดธรรมเทศนาของภิกษุนั้นไม่บริสุทธิ์ทำยังไงนะจะให้คนคนนี้ฟังธรรมะของเราจริงๆมันธรรมะของใคร ธรรมะนี่พุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบเป็นผู้มีปัญญาอย่างเห็นเป็นผู้แทงตลอดเป็นผู้เปิดเผยแสดงแต่พุทธเจ้าไม่ได้ไปยึดว่าธรรมะเป็นของท่านนะแต่ท่านเนี่ยเป็นเจ้าของสูตรเป็นผู้ที่คิดได้เนเป็นผู้ที่คิดและเปิดอนำมาเปิดเผยเข้าถึงเราเป็นผู้ปฏิบัติตามแล้วก็เลยเห็นตามที่พระองค์ทรงบอกฉะนั้นธรรมะ หลักการไม่ว่าจะเป็นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาขันติความอดทนอะไรก็แล้วแต่เนี้ยสติปัฏฐานสมาธปัานอิทธิบาทอินทรพระพโธชงอริยามัติเนี่ยทั้งหมดเหล่านี้อันนั้นเป็นของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมะของเรานั้นเราเราแสดงหลักการให้มนุษย์ให้ได้เข้าใจนี่คือทุกนี่คือเหตุให้เกิดทุกนี่คือความดับทุกนี่คือข้อประพฤติปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกนี่เราบอกธรรมะของพระพุทธเจ้าบอกหลักการของพระพุทธเจ้า บอกให้คนรู้จักพุทธยาวแต่ถ้าหภิกษุมีจิตใจละโมกบอกว่าเออเราแสดงธรรมแก่ผู้อื่นในจิตคิดว่าขอให้คนทั้งหลายพึงฟังธรรมะของเราเอาพอเราไปรู้ว่านี่ศีลนี่สมาธินี่ปัญญาไปยึดไปแล้วว่าเป็นของเราเสียหายเลยในนี้ในนี้อันนี้อันนี้ไม่บริสุทธิ์ถ้าบริสุทธิ์เป็นยังไงบอกภิกษุทั้งหลายภิกษุใดแล่ย่มแสดงธรรมะแก่ผู้อื่นโดยมีจิตคิดอย่างนี้ว่า ทำอันพระผู้มีพระภาคจ้าตรัสไว้ดีแล้วผู้ปฏิบัติบรรลุเห็นได้เองไม่ขึ้นกับการควรเชื้อเชิญให้มาพิสูจน์ควรน้อมเข้ามาไว้ในใจอันวินยูชนพึงรู้ได้เฉพาะตนขอให้คนทั้งหลายพึงฟังธรรมะให้คนทั้งหลายพึงฟังธรรมะของเราอันฟังแล้วพึงเข้าไปเข้าใจธรรมะนั้นทั่วชัด และค้นเข้าใจทั่วชัดแล้วพึงปฏิบัติเพื่อความเป็นเช่นนั้นเถิดดังนี้เธอย่อมแสดงธรรมแก่คนอื่นๆเพราะอาศัยความที่ทำมาเป็นธรรมดีเพราะอาศัยความการุณเพราะอาศัยความเอื้อเอ็นดูเพราะอาศัยความปรารถนาดีธรรมเทศนาของพิกษุน์นี้เชื่อบริสุทธิ์อันนี้ขับเน้นอะไรเนะี่ยขับเน้นความบริสุทธิ์ใช่ไหม ขับเน้นในคนเขาเข้าถึงศีลเข้าถึงสมาธิเข้าถึงปัญญาใชสว่าขาตัวพระวตาธัพโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิติโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงปฏิบัติพึง ป, ป, ปรากฏชัดได้ด้วยตนเองสันทิติโกควรเห็นได้ด้วยตัวเองอาการิโกคนน้อมเข้ามาใส่ตนใส่กระแสชีวิตตัจิตใจตัวเองนะฮะใช่เมื่อเขาประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยเขาสามารถที่เข้าถึงได้เนี่ย อย่างนี้เป็นต้นขับเน้นที่พระธรรมอภการต่อไปก็พูดถึงในเรื่องของหน้าที่ที่มีต่อสิทธิ์อันนี้หมายถึงอาจารย์เลยนะแนะนำฝึกอบรมให้เป็นคนดีเหมือนเดิมสอนให้เข้าใจแจ่มแจ้งชัดสอนศิลปวิทยาโดยสิ้นเชิงส่งเสริมยกย่องความดีงามสามารถให้ปรากฏสร้างเครื่องคุ้มกันภายในสารทิศ สอนให้ใช้ความรู้ทํางานได้จริงสามารถใช้เลี้ยงชีพเป็นต้นให้เขาอยู่ได้นี่คุณสมบัติของกัลยาณมิตรตอนท้ทายๆก็คือว่ามี2ประการก็คือเป็นคุณสมบัติของกัลยาณมิตรอย่างเลิกก็คือความเป็นผู้ทําได้จริงในสิ่งที่สอนผู้อื่นหรือได้บรรลุสําเร็จผลนั้นนั้นด้วยตนเองแล้วจึงสอนเรื่องนั้นแก่คนอื่นไอ้ตรงนี้อันนี้นี่ถือว่าเลิศเลยนะตนเองสอนเขาอย่างไรก็รู้ถึงได้อย่างนั้นจริงๆ ความเป็นอิสระเมื่อจะช่วยผู้อื่นตนเองก็ไม่ติดนุงนางอยู่ในเครื่องผูกพันเช่นเดียวกับเขาที่กำลังติดอยู่อันนี้สำคัญนะเห็นเราเห็นคนอื่นเขาทุกข์ทุกข์กเพราะกิเลสไอเราก็ถูกกิเลสโจมตีไออย่างเงี้ยนะไอเราก็ยังพ้นจากเครื่องพันธนาการนั้นไม่ได้หรอกแต่เห็นคนอื่นถูกเครื่องพันธนาการและสงสารเขา อันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยสงสารหรือเกินโหคนนั้นทำไมไม่รู้เรื่องเลยแก้ปัญหาไม่ถูกโง่หน่าสงสารเขาเนาะจริงๆตนเองก็ยังย่ำแย่ไอ้ตรงเนี้ยมันไม่เป็นอิสระเนี่ยตนเองก็ไม่ติดนุงนางในเครื่องพนัาการเช่นเดียวกับเขาอีกอย่างหนึ่งอย่างแรกมีพุทธภาสิต น, นะนะเช่นว่า ทำตนนี่แหละให้ตั้งอยู่ในคุณความดีอันสมควรก่อนจากนั้น จ, จึงค่อยพร่ำสอนผู้อื่นบัณฑิตไม่ควรมีข้อมัวหมองถ้าพร่ำสอนผู้อื่นชั้นใดก็ควรทาตนเช่นนั้นนี่คำเตือนในลักษณะเนี้ยเพ่งไปในทานองในความด้านความประพฤติก็คือ เ, เรื่องความดีความชั่วแต่ในด้านของการบรรลุเรื่องการบรรลุก็คืออย่างน้อยก็คือว่า พุทธพ่อที่กล่าวว่าเพราะบุคคลผู้เป็นพระหูสูตรส่งความรู้ตามตำราหรือตามที่เล่าเรียนมาบางท่านชี้แจงสั่งสอนทำให้ผู้อื่นปฏิบรรัติบรรลุทำได้โดยที่ตัวผู้สอนเองหาได้บรรลุไม่เนี่ยหรือบางคราวผู้มีภู term, ม, มิธรรมเสมอกันมาสนทนาค้นคว้าทำด้วยกันแล้วเลยพลอยบรรลุความสำเร็จไปด้วยกันอะอย่างเงี้ยนะถ้าประเด็นในลักษณะนี้เราสอนคนอื่นด้วยในปัจจุบันับ ในขณะเดียวกันก็ตั้งเจตนาฝึกตนเองด้วยใช่ไหมเออถ้าอย่างนี้ได้คุณค่าหรือประโยชน์ที่สําคัญด้านหนึ่งของการยานมิตรก็คือว่าความมีตัวอย่างที่ช่วยในเกิดความมั่นใจว่าสิ่งที่กําลังปฏิบัติและมุ่งหมายนั้นเป็นสิ่งที่ทําได้จริงบรรลุได้จริงและถ้าทําได้สําเร็จแล้วจะได้ผลดีจริงอีกประการหนึ่งก็คือการยานมิตรมีความรู้ความเข้าใจมีประสบการณ์ในสิ่งที่ปฏิบัตินั้นดีกว่าจึงสามารถช่วยชี้แนะบอกแนวทาง ทำให้การปฏิบัติได้ง่ายขึ้นหรือเข้าทางรัฐได้มากขึ้นอันนี้ยิ่งเป็นความสำคัญกัลยาณมิตรเนี่ยที่ได้บรรลุผลการปฏิบัติด้วยตนเองก็ย่อมอานวยคุณค่าประโยชน์ดังที่ได้กล่าวทำให้ผู้ปฏิบัติเกิดศรัทธามีกาลังใจจึงเป็นธรรมดาเองที่ควรจะเพ่งหวังกัลยาณมิตรที่มีคุณสมบัติถูกต้องนี่แหละความเป็นอิสระมองได้สองด้านน ด้านความเป็นอยู่ในระบบการดาเนินชีวิตและด้านอิสระทั้งด้านจิตใจความเป็นอิสระเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเหมือนอย่างที่กล่าวแล้วกับภิกษุผู้คุกคลีกระดือหัดข้างต้นผู้ที่ติดอยู่ในเครื่องผูกเครื่องจองจำทั้งหลายอย่างเดียวกับเขาหรือว่ า, าว่ายวนดิ้นลนอยู่ในกระแสน้ำเนี่ยในเกลียวขึ้นกับคนอื่น แม้แต่ตนเองก็ยังช่วยไม่ได้จะไปปลดเปลื้องคนอื่นได้อย่างไรอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดอย่างที่น่าคิดหรืออีกด้านหนึ่งติดอยู่ในระบบผูกรัดของสังคมก็ดิ้นรนสแสวงหาสิ่งต่างๆตามแนวทางเดียวกับคนอื่นเหมือนกัน อ, อย่างเยกตัวอย่างเช่นเป็นพระก็ยังมาติดอยู่ในระบบของสังคมนงนังอยู่นี่แหละไม่ต่างอะไรกับเราว่ า, วาทํากิจกรรมใดๆก็ไม่เป็นอิสระ ว่าแต่กุ้มแต่ทุกข์แต่เครียดวิตกกังวลเออย่างเงี้ยเห็นชาวบ้านมาละวสอนก็ดีเลยแต่ตัวเองเครียดน้ำํำขาน้ําไม่มีขาดไฟไม่มีเห็นไหม่ารถเอ่ย่าดน้ำมันรถไม่มีรถไปนู่นไปนี่มันวุ่นวายไปหมดเลยนะตัวเองมันไม่ได้พ้นเครื่องพนาการสิ่งเหล่านี้คือถูกสภาพทางสังคมบีบรั่นเขาอีก ไ ป, ไปมาก็ไม่ต่างจากชาวบ้านเลยพอชาวบ้านมาโอ้โหสอนใหญ่สอนจะลืมเนืน้อลืมตัวพูดจนมันปากว่ากันเคยเห็นไหมแต่ตัวเองพอยอมก็กลับไปก็นอนเครียดไอ้ยอมก็ก้มไปตัวเองก้มก็ไม่กล้าบอกความจริงกับยอมเขาตัเองก็ก้มเฮ้ยเดือนนี้เอาค่าน้ําเข้าไปที่ไหนเอ้ยทำไมใบจากน้อยยังก็เดือนนี้เชอะไปแล้วประเด็นคือว่า เราถ้าไม่มีนะไม่มีไฟใช้อยู่ได้ไหมสามารถอยู่ได้อย่างตอนนี้จะเดือดร้อนไหมเนี่ยอยู่อย่างวัวเมาลุ่มลหลง อ, อยู่อย่างการเร่งฝึกตัวเอง <c oughs> ต้องวัดตีๆนั้นพระต้องเตรียมตัวพร้อมทุกสถานการณ์ถ้าเกิดภาวะใดๆเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องต้องยอมทั้งภยัยปัญหาภายในและภายนอกที่มันลุมล้าเข้ามา ความเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทตรงนี้พรพุทธเจ้าสอนกันข้างชัดฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นความเป็นอิสระเนี่ยสำคัญที่สุดเลยในระบบสังคมแล้วก็เป็นอิสระการกองชีพตนเองการครอบครัวดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นอย่างนั้นไหมถ้าเป็นอย่างนั้นจะยุ่งเลยนี่เด้วยเหตุนี้พรุทธเจ้าจึงทรงวางระบบสงให้เป็นชุมชนที่เป็นอิสระมีความเป็นอยู่และในระบบการดําเนินชีวิตที่เป็นอิสระด้วยแล้วก็จากระบบของสังคมใหญ่ ระบบสังคมใหญ่คลิกก็วางระบบกันก็ไว้เนี่ยไม่เป็นอิสระจริงใช่ไหมให้สังเกตด้วยนะว่าจะต้องมีพ่อแม่ปู่ตายายายในการดูแลเป็นต้นเหล่าเนี้แต่ระบบสังคมทั้งสงนี่เป็นอิสระเลยนะแต่ว่าถึงแม้เป็นอิสระต่อกันก็คืออกูลกันขับเน้นให้มีปัญญามีความรู้มีความเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติด้วยกันเองด้วยความเป็นอิสระไม่เป็นทาสของกิเลส <c oughs> ถึงขนาดว่าเ อ, อ้ยยามเจ็บป่วยใข้ดูแลกันไม่ใช่ดูแล ดูแลแล้วเนี่ยในขณะเดียวกันในตนเองต้องการจะไปฝึกผลพัฒนาหาคนมาดูแลแทนแลราไปได้เลยเงี้ยเนี่ยหรือไม่อย่างนั้นทํำยังไงก็ไม่หายเช่นคนป่วยเองเนี่ยเอ๊รักษายัางไงก็ไม่หายรักษ า, างไงก็ไม่หายเนี่ยสละทิ้งซะเลย เ, เราไม่ได้เกิดมาเป็นธาตุนั่นทีโอโหนี่ปล่อยใจวางขนาดนั้นแล้วเร่งรีบในการฝึกผลพัฒนาศีลสมาธิปัญญาเลยเนี่ยลักษณะเนี้ยเพื่อจากระวางระบบสองให้เป็นชุมชนที่เป็นอิสระมีความเป็นอยู่ หรือระบบการดำเนินชีวิตเป็นอิสระจากระบบสังคมใหญ่ในระบบชีวิตอย่างเงี้ยถ้าเรามองดูคือว่าความเป็นอยู่ที่เป็นอิสระด้วยและมีจิตที่หลุดพ้นเป็นอิสระเป็นพื้นฐานด้วยก็จะทำให้สงฆ์เป็นชุมชนที่เป็นอิสระช่วยชักนำสิ่งที่ดีที่ถูกต้องเข้าให้กับสังคมส่วนใหญ่ได้จริงนะและสามารถเป็นแหล่งเป็นที่พึ่งอาศัยช่วยเป็นอิสระในระดับต่างๆได้ มีเถพเถพบอกว่าดูก่อนจุนทะผู้ที่ตนเองก็จอมอยู่ในโคลนเลนอันลึกจะช่วยชุดยกคนอื่นที่จอมอยู่ในโคลนเลนอันลึกขึ้นมาได้นั้นข้อนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้ผู้ที่ตนเองไม่จอมอยู่ในโคลนเลนอันลึก จะช่วยฉุดยกคนอื่นที่จมอยู่ในโคลเลนอลึกขึ้นมาข้อนี้จึงจะเป็นฐานะที่มีได้ผู้ที่ตนเองก็ไม่ได้ฝึกไม่ได้อบรมยังไม่ได้หายเร่าร้อนจากกิเลสจากฝึกจากอบรมจะทําคนอื่นให้หายร้อนจากกิเลสข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้ผู้ที่ตนเองฝึกแล้วอบรมแล้วดับร้อนคือกิเลสได้แล้วจากฝึกจากอบรมจะทําคนอื่นให้หายร้อนจากกิเลสข้อนี้เป็นฐานะที่เป็นไปได้เนาะเออเนี้ยกตัวอย่างอย่างงี้ เวลาเราอย่างเงี้ยคนที่จมอยู่กับราคะโทสะโมหะจมอยู่กับกายโทจิตวิจีโทจริตมโนโทจริตจะไปช่วยคนอื่นจะดึงคนอื่นคนคนก็จมเมื่อเราอยู่ในในหลบในเคลนในในโลกในโคลนตมจมมิดคอคนอื่นก็จมเหมือนกันแล้วช่วยคนอื่นได้ไหมแล้วสามารถบอกคนอื่นได้ไหมในขณะที่เราจมอยู่ตรงนั้น เ, เราบอกแล้ว เ, เอาทำ ม, มากครูพิธาบอกเราก็ตะเกียดตะกายด้วยตามตรงตามคําที่เราบอกแล้วคนอื่นก็ตะเกียดตะกายตามคําที่เราบอกแต่เราเอาคําสอนพุทธเจ้าเป็นเป็นสิ่งที่มาบอกว่าต้องมีความเชื่อมั่นยังไงต้องเพียรอย่างไงต้องฝึกสติยังไงต้องมีความตั้งมั่นแห่งจิตยังไงแล้วมีปัญญาคิดอ่านยังไงเนี่ยในขณะที่บอกเขาบอกได้ถ้าเขาบอกแล้วเนี่ยเขาสามารถตะเกียดตะกายตนเองออกจากเคลนออกจากหลมโคลนตอมนั่นได้ ถามว่าเราเป็นผู้ดึงเขาใช่ไหมเออนั่นแหละธรรมะนั่นแหละคือพระเจ้าเป็นผู้ดึงนั้นต้องเข้าใจว่าเราไม่ใช่เป็นผู้ไปดึงเขาให้ออกจากความเห็นผิดกลับมาสู่ความเห็นที่ถูกไม่ใช่ไปดึงเขาจากเป็นผู้ที่ไม่มีศีลมาเข้าสู่ความเป็นผู้มีศีลดึงเขาจากคนที่ไม่มีสมาธิให้มามีสมาธิดึงเขาออกจากผู้ที่ไม่มีปัญญาให้เขามีปัญญาเพราะผู้ที่ดึงจริงๆฉุดจริงๆไง คือพระพุทธเจ้าถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็ได้ชัดว่าจริงๆถ้าอย่างนั้น โ, โยโยงแล้จะไม่บอกใครอีกแล้วเว้ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงั้นต้องบอกโดยสําคัญว่าเราเร า, เราธรรมะตั้งหาก เ, เป็นผู้บอกไม่ใช่เราเป็นผู้บอกงั้นบรรพชิตก็ไม่พึงเที่ยววุ่นวายทําไปทุกอย่างไม่เลือกไม่พึงเป็นคนของคนอื่น ไม่พึงอาศัยผู้อื่นเป็นอยู่และไม่พึงเอาธรรมะมาค้าขายเอออันนี้ก็คือหลักจัญยาบันของนักบวชเนี่ยตรงนี้สำคัญมากนะบนรรญัติตชไม่พึงเที่ยววุ่นวายทำทุกอย่างไม่เลือกไม่พึงเป็นคนของคนอื่นเข้าใจคำนี้ไหมเ อ, อ้ยนี่เป็นคนของใครเนี่ยใช่ไหม อย่างเช่นว่าเออท่านบวชมาแล้วอ๋อพระลบเนี่ยน่นเป็นคนของคนนะมีคนคนนั้นดูแลอยู่คนนั้นกํากับอยู่ไอ้นี่ก็เลยเป็นคนของคนอื่นอย่าในพึงเป็นอย่างนั้นไม่พึงอาศัยผู้อื่นเป็นอยู่โอ้แล้ไม่ได้อาศัยคนนี้เราอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ต้องอาศัยใครอาศัยพระเจ้าพระเจ้ <c oughs> าต่างหากเป็นผู้ดูแลเราไม่ใช่คนอื่นเนี่ย น, นะแล้วก็ อีกข้อหนึ่งเลไม่พึงเอาธรรมะมาค้าขายขายธรรมะกินที่เราไปเทศทั้งหลายอะไปุ๊บเหมือได้กันเทศเนี่ยเป็นต้นนั้นเนี้ยต้องระวังเรื่องนี้สรุปได้โดยคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าผู้เป็นกัลยาณมิตรอันสูงสุดซึ่งทรงประกอบไปได้วยคุณสมบัติกัลยาณมิตรสองข้อคือว่าทรงทําได้จริงและก็บลุกผลสําเร็จในสิ่งที่ตนเองสอนนั้นด้วย กระทรงมีความเป็นอิสระหลุดพ้นจากระบบของสังคมที่แวดล้อมอยู่และทั้งจากกิเลสที่ผูก ม, มัดสมรุมเร้าในจิตใจด้วยพระเจ้าจบอกมาชัดเลยในนะี้ดูก่อนวิกษร์ทั้งหลายเนี่ยเปรียบเส ม, มือนดอกอุบลดอกประทุมดอกบุญทริกเกิดในน้ําเจริญในน้ําตั้งอยู่ลอยพ้นเหนือน้ําไม่ถูกน้ําฉาบติดฉันใดตถาคตกระฉันนั้นเหมือนกันเกิดในโลกเติบโตบแล้วในโลกแต่เป็นอยู่ลอยเหนือลอยเหนือโลกไม่ติด ไม่ติดด้วยด้วยไม่ติดไม่กลัวไม่ติดกลัวด้วยโรคนั้นโอ้นี่สุดยอดมากหนึ่งเนี่ยแล้วเกิดในตระกูลใดเกิดหนะ้าที่ไหนเนี่ยเกิดมาเหมือนดอกบัวแล้วไม่ติดเนี่ยเราก็ต้องฝึกตัวเองให้ไม่ติดอย่างนั้นแหละว่าดูกรวรหะดูกรวาหณนะตถาคตสลัดออกได้แล้วไม่เกาะเกีเ่ยวหลุดพ้นแล้วจากธรรมะสิประการที่เป็นอยู่ ด้วยใจที่ไร้เขตแดนธรรมสิปการก็คือว่าตถาคตเนี่ยสลัดออกได้แล้วไม่เกาะเกี่ยวดูดพ้นแล้วจากรูปจากเวทนาจากสัญญาจากสังขารจากวิญญาณจากความเกิดจากความแก่จากความเจ็บเจ็บจากความตายเนี่ยนะจากความทุกข์จากกิเลสทั้งหลายจึงเป็นอยู่ด้วยจิตที่ไร้เขตแดนเปรียบเสมือนดอกอุบลดอกวัทุมดอกบุญทริกเกิดในน้ําเจริญในน้ําแต่ไม่ตั้ง แต่แต่ตั้งอยู่รอยเหนือน้ำไม่ถูกน้ำฉาบติดฉะนั้นโหเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณชาติชราพยาธิมรณะหรือจากตระกูลทั้งหลายจากกิเลสทั้งหลายจากความเศร้าหมองทั้งหลายเนี่ยเรามีความเกิดเป็นธรรมดาชนไหนเราจริงต้องสแสวงหาความเกิดด้เราเรามีความแก่เป็นธรรมดาทำไมเราต้องสแสวงหาความแก่ใช่ห เรามีความตายเป็นธรรมดาก็เป็นแสวงหาความตายเรามีเจ้บความเจ็บไข้ก็แสวงหาแสวงหาความเจ็บไข้เรามีความเศร้าหมองเพราะกิเลสเราทำไมไปแสวงหาความเศร้าหมองด้วยกิเลสด้วยเราเพื่อนเนี่ยนั่นเราจะแสวงหาสิ่งที่ไม่มีความเกิดไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่มีความตายนี่ก็เลยเป็นชีวิตที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงเลยพระพธเจ้าพระองค์นั้นทรงตื่นเองแล้วก็ทรงแสดงธรรมเพื่อปลุกให้ตื่นทรงฝึกพระองค์แล้วก็ทรงแสดงธรรมเพื่อเพื่อความฝึกเนื ทรงสงบเองแล้วก็ทรงแสดงธรรมเพื่อความสงบจากบาปอคติรกรรมันชั่วร้ายด้วยทรงข้ามพ้นได้แล้วก็แสดงธรรมเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายข้ามได้ด้วยทรงหายร้อนสนิทแล้วก็ทรงแสดงธรรมเพื่อให้ดับร้อนแล้วก็ให้เย็นด้วยเงี้เป็นตน้นเนี่ยลักษณะถ้าดูจากคําสอนพระพุทธเจ้าบอกว่าอาการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนน่นหนึทรงแสดงธรรมด้วยความรู้ยิ่งเห็นจริงนะทรงรู้เห็นสิ่ง ริงเองด้วยแล้วก็ทรงสอนผู้อื่นเพื่อให้รู้ยิง่ง <The> ให้เห็นจริงตามในธรรมะที่ควรรู้คนะวรเห็นเนี่ยนะแสดงธรรมด้วยความรู้ยิ่งอริยสัจเนี่ยนะถามว่าอภินยิ่งอริยสัจสเนี่ยเป็นธรรมที่ควรรู้ยิ่งทกเป็นคที่ควรที่ควรรู้ยิ่งด้วยการกำหนดรู้สมุทัยก็เป็นธรรมะที่ควรรู้ยิ่งด้วยการละด้วยการปรหาร นิโรดก็เป็นธรรมที่ควรรู้ยิ่งด้วยการทําให้ประจับแจ้งทําให้ปรากฏเป็นจริงขึ้นมาให้ได้มรรคเป็นธรรมที่ควรรู้ยิ่งก็คือควรอบรมความเจริญควรภาวนาควรทําให้มีให้เกิดขึ้นเนี่ยพระเจ้าแสดงธรรมเพื่อความรู้ยิ่งก็คือต้องการให้เข็นอริยสัจอย่างนี้แหละแสดงธรรมที่มีเหตุผลก็คือสั่งสอนชี้แจงให้เห็นเหตุผลซึ่งผู้สามารถผู้ฟังเนี่ยสามารถพิจารณาให้เข้าใจได้โดยการใช้ปัญญาของเขาเองไม่ได้บังคับ เมื่อเขาฝึกฝนพัฒนาปัญญาแล้วเขาจะเห็นเองตามเหตุตามผลนั้นเมื่อเขามีปัญญาเห็นตามเหตุตามผลนั้นแล้วเขาจะตัดสินใจได้ด้วยปัญญาของเขาใช่ไหมไม่ใช่ว่าไปบอกนายคุณทําอย่างนี้นายคุณทําอย่างนี้ใหม่ชี้แจงเหตุชี้แจงผลพอเกิดปัญญาปุ๊บจะรู้เองวาอ่าควรทำยังไงใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ได้ไปบังคับหลักการในทางโลกโลกเขาบังคับกัน มีข้อบังคับต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แต่ละการในพระศาสนาพุทธเจ้าไม่ได้บังคับสอนให้มีปัญญารู้พอมีปัญญารู้แล้วเนี่ยนั่นแหละตัวปัญญาจะจัดแจงแล้วจะได้เป็นอิสระจากกิเลสและกองทุกข์เองโอ้โหสุดยอดตรงนี้แหละเรียกสอนให้รู้ให้ได้เหตุให้ได้ผลได้ปัญญาเมื่อได้เหตุได้ผลได้ปัญญาปุ๊บตัวปัญญาจะเป็นตัวไปวินิจฉัยจัดการแยกแยกแกว่าสิ่งไหนควรสิ่งไหนไม่ควรสิ่งไหนควรปฏิบัติสิ่งไหนไม่ควรปฏิบัติสิ่งไหนควรละสิ่งไหนควรจะเลิก อู๋จะเข้าไปรู้ได้อยังไงเองเนี่ยพระเจ้าเนี่ยสุดยอดตรงนี้แหละที่ผ่านมาในชีวิตของเราเนี่ยเราถูกกดตลอดบางทีจะทําอะไรก็โดนด่าโดนว่าไอ้ต้องทําอย่างงั้นต้องทําอย่างนี้โ ง, ง, ง่บังไม่เลยสราร พ, พัดหมดเลยพระเจ้าใหม่พระเจ้าสอนให้เราเนี่ยฝึกฝนวัฒนาปัญญาให้เกิดขึ้นก่อนใช่ไหมยังหลักอริยสัจเนี่ยสังเกตุไหมหนึ่ง ค, ควรรู้ยิ่งด้วยการกําหนดรู้ยังไม่ต้องทาอะไรก่อนนะ อันเนี้ยเออศึกษาให้เข้าใจก่อนว่าคืออะไรขอบเขตแค่ไหนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญาณว่าไปสมุทัยก็เป็นธรรมะที่ควรรู้ยิ่งโดยการละโดยการบระหารโดยการกําจัดมันอ้ายังไม่ต้องทําอะไรก่อนใช่ไหมเออให้รู้ขอบเขตมันก่อนว่าแค่ไหนอย่างไรนิโรธสัจจะเป็นธรรมที่ควรรู้ยิ่งควรทําให้ประจักษ์แจ้งควรทําให้มีให้เกิดขึ้นนี่เป็นจุดหมายต้องให้ชัดมาร์กเป็นธรรมที่ควรรู้ยิ่งโดยการอบรมโดยการเจริญเอาละสิแตเนี้ย พริจาคมสอนนส อ, ส อ, สอน้มีเหตุมีผลให้เข้าใจเหตุเข้าใจผลได mm. ้บอกว่าเอกายโนยังพิคเวมัคโคลเอาอะไรตัวนี้ทางสายนี้เป็นทางสายเดียวที่พระตถาคตดําเนินไปถามว่าต้องการดําเนินไปตามทางนี้ไหมหรือจะดําเนินไปตามการมาสุ ข, ขาริการโยโยกหรืออัตตะ ก, กิเลสบถานดโยคซึ่งเขาเดินกันเต็มไปหมดนะเนี่ยเอาเดินไหมถ้าเดินนั้นไม่ปลอดภัยนะถ้าเดินไปนั้นก็ประสบชาติ ทุกชราทุกพยาธิทุกขมรณทุกโสกบาลีเทวทุกกระทบนัสสเลอบายาตทั้งการมาสุ ข, ขาริการุโยกการติดแน่นในการมาสุขกามาคุณหรืออัตกิลมัฐานุโยกการประกอบตนเองให้ลำบากด้วยทิฏฐิดีมานะทั้งหลายว่าไปนั้นทางใหญ่สองเส้นทางใหญ่เนี่ยถ้าคุณจรดไปคุณเดินไปคุณเจ็บปวดเนี่ยแต่ทางนี้ปลอดภัยเอกายโนย่างพิเขเวมโคสัตตานังวิสุทธยา ดำเนินไปตามทางสายนี้แล้วจะเข้าถึงความบริบสุทธิ์าบริสุทธิ์หมดจดของเราสัตว์สัตว์ทั้งหลายสกปกได้ราคาโทรศโมหะมานาทิถิวิจิกิชายีในการโน่ตปะอุดทะจักความพุ่งสั้นสกปรกได้กายทุจริตวจีทุจริตมโนโทุจริตสกปรกไดม้มิฉาทิถิมิฉาสังฆปะมิฉาวาจามิฉากรรมมันตะมิฉาอาชีวะมิฉายาวายมะมิฉาสติและมิฉาสมาธิสัตว์ทั้งหลายสกปกด้วยกิเลสเหล่านี้แต่ถ้าคุณดำเนินไปตามทางสายนี้ที่เรียกมัชิมาบฏิบทธา ฝึกตามศีลสมาธิและปัญญาคุณจะเข้าถึงความสะอาดบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสคุณจะกลายเป็นสัตว์ที่ไม่สกรปรกอีกต่อไปเป็นสัตว์ที่สะอาดไปไม่ไปไม่ไปเรื่องคุณนะไม่บังคับแต่เนี้ยบอกเชิญชวนอย่างเงี้ยแนะนําอย่างงี้บอกประโยชน์อย่างงี้บอกอ น, นิสองส์อย่างเงี้ยโสกปรีเทวะนงังสมาติกมายะดำเนินตามทางสายนี้แล้วเนี่ยจะสิ้นความโศกความล่าไรลําพันธ์ ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทุกขโทมนันนะาตั้งหลายเหล่านี้จะหมดสิ้นจากกระแสชีวิตเอาไหมทุกวันนี้คุณยังจมอยู่กับโศกพระริเทวาทุกขโทมนั่นเสวยญาติจมเกลือกกล้วอยู่กับกองทุกด้วยกิเลสนะด้วยอํานาจของกิเลสด้วยการแบกขันธพละนะยกขันธภาระขึ้นมาแล้วก็ต้องมาบริหารต้องจัดการต้องยืนต้องเดินต้องนั่งต้องนอนเนี่ยคุณเจ็บปวดนะในสังสารวัตรเนี่ยคุณเจ็บปวดแน่นอน แต่ถ้าดําเนินไปทางสายนี้แล้วคุณจะพ้นจากทุกข์เลยทมันนั้น ค, คุณจะไม่ต้องแบกวัตถุทุกแบกกองทุกแบกขันธาตุอายตนะอีกต่อไปเอ า, เอาไม่เอาเรื่องคุณแล้วก็ยาณสานที่ขมายะดําเนินไปตามทางสายนี้แล้วจะบรรลุเป็นพรปสดาบันกับทางเนี้บรรลุอริยมรรคปสดาปัตติมรรคเป็นพระสกท า, าคามีเป็นพระนาคามีเป็นพระทหารนั่นดำเนินไปทางสายนี้แล้วจะบรรลุอริยมรรค แล้วก็ทะลุอริยผลนิพพานน่ะสัตติกิริยาะดําเนินไปตามทางสายนี้แล้วจะได้ทํากิเลสให้นิพพานและทําขันทะปรินิพานนี่เกิดขึ้นขันนิพพานนี่เกิดขึ้นเอาไม่เอาถ้าดําเนินตามทางสายนี้แลกกิเลสจะนิพพานกิเลสจะดับจะไม่โผล่ขึ้นมาอีกแล้วคุณจะไม่ต้องลําบากแลยต่อไปรูปเวทน า, าสัญญาสังขารวิญญาณคุณจะดับและจะไม่สืบต่ออีกต่อไปเลยชีวิตของคุณจะได้ไม่ต้องเว้นว่ายแต่เกิดในสังสารวัตรอาภัสอ้อาวพอบอกอธิสงเสร็จปุ๊บเอาแล้วนะ ทำยังไงก็บอกว่าจัดตาโรสติปทานาพูดเลยแต่เนี้ยบอกวิธีการเลยแตเนี้ยนะบอกอณนนิสงส์เสร็จปุ๊บก็เข้าบอกวิธีการเลยจัดตาโรสติปทานา น, นี่บอกมากแล้วบอกว่ากายะกายานุปัสสีวิหารติอาตาปีสัมปชานโรสติมาวินยะโรเกอวิชาดมานะสัง ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทรมนัตในโลกเสด็จเวทนาสูเวทนานุปัสสีวิหารติอาตาปีสัมปชานโนสติมาวินยาโรกอภิชาธรมนัสสังภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนามีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทรมนัตในโลกเสดาจจิตเตจิตจิตเตจิตตาสุข บอกว่าพิจารณาเห็นจิตในจิตมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้ทำเมสุธำมานุปัสสีวิหาติอาตาปีสัมปชาโนวิวินญาโลเกออิชาโทมนัสสังพิจารณาเห็นธรรมในธรรมมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอวิชาและโทมนัสในโลกเสียได้เป็ตนต้นโอ้เดี๋ยวนี้เรื่องเรื่องนี่มักเลยนี่นี่คือการบอกมักนะบอกข้อปฏิบัติเห็นไหมกำหนดว่า เออเนี่ยมันดียังไงเรื่องเลิศยังไงประเสริญยังไงในสถิปติฐาน4ทั้งหมดเนี่ยบอกเรื่องมั้เรื่องวิธีการเรื่องข้อปฏิบัติว่าจะดําเนินการชีวิตยังไงที่จะสามารถเข้าไปถึงจุดหมายคือเอกายนโนอยังพิขเวมขโคสตาณาังวิสุทธิยาโสกปฏิเดวนานังสมติกรมยายา ย, ยาสัทิกามายานิพานนาัาสสัชชิกริยาญาเนี่ยบอกบอกว่าจะเข้าถึงจุดหมายปลายทางในอันนี้สองอย่างนี้ก็เพราะดําเนินแบบนี้ นี่พระรยาแสดงเหตุผลอย่างเงี้ยและประการต่อมาคือว่าทรงแสดงธรรมที่มีผลสมจริงเป็นอัศจรรย์ก็คือว่าทรงสั่งสอนสิ่งที่เป็นจริงซึ่งคนที่มีปัญญานะีรักความจริงพิจารณาแล้วจะต้องยอมรับและและเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ให้เกิดผลจริงซึ่งผู้ปฏิบัติย่อมได้รับผลที่สอดคล้องสมควรแก่การปฏิบัติโอ้เนี่ยหลักการเดี๋นี้เป็นอัศจรรย์มากเวลาประพฤติปฏิบัติไปแล้วกิเลสลดได้จริง เออนะีเมื่อปฏิบัติตามมรรคแล้วเนี่ยสามารถรอบรู้ทุกได้จริงและกิเลสได้จริงแล้วก็เข้าใกล้จุดหมายไปเรื่อยๆได้จริงกิเลสลดเท่าไร่ความทุกข์ก็ลดน้อยลงเท่านั้นถ้ากิเลสหมดเมื่อไรความทุกข์ก็หมดเนี่ยเนี่ยมองในแง่ในลักษณะเนี่ยซึ่งในแง่ของสิ่งที่สอนก็สมจริงก็คือว่าเป็นอย่างนั้นได้จริงยืนยันได้มีแก่นสารไม่เหลวไหล นำไปปฏิบัติจะได้ผลไม่เป็นหมันไม่เป็นโมฆะให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติได้จริงทําแค่ไหนอย่างไรก็ได้ผลสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติตามแนวองเหตุและปัจจัยนั้นนี่หลักการสอนพระพุทธเจ้าชัดเจนตรงนี้แหละเขาบอกว่าอย่างไรก็ดีถ้าไม่อาจนีถ้าบุคคลที่โอ้โหหากะรยานมิตรไม่อาจที่จะหากะรยานมิตรผู้ <Net> <benefits. S 2> ได้รู้เห็นผลประจักษ์ได้เองผู้ทำได้จริงและเป็นอิสระได้จริงเป็นพระหูสูตรบุคคลพระหูสูตรที่สอนเขาทั้งที่ตัวเองไม่ได้เข้าถึงจริงนั่นแหละก็เป็นประโยชน์ได้ตรงนี้ก็อย่างที่บอกนะีอย่างที่บอกนั่นแหละว่าจริงๆก็คือบางครั้งในยุคปัจจุบันนี้เราหาพระหรหันไม่ได้สมมตินะนแต่ว่าคนที่เขาสามารถนำคาสอนพุทธเจ้ามาบอกเราได้ เพราะว่าจริงๆแล้วไม่ใช่คนนั้นเป็นผู้บอกแต่หลักการคือธรรมะต่างหากเป็นผู้บอกเป็นผู้แนะนําเราอย่างนี้เป็นต้นพอจะเริ่มมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นนะนี่ในเรื่องของหน้าที่ของกัลยาณมิตรการทําหน้าที่ของกัลยาณมิตรเนี่ยอย่างเงของการศึกษาความก้าวหน้าในการปฏิบัติทั้งหลายเหล่านี้นับว่าเป็นความ ปส่วนประกอบนะสิ่งที่นับว่าสําคัญยิ่งกว่าก็คือมีอิทธิพลชักจูงในด้านความคิดเห็นทัศนคติค่านิยมตลอดของความรู้ความเข้าใจที่ท่านเรียกว่าทิฏฐิเนี่ยถ้าเป็นควา่าถ้าเป็นความคิดเห็นทัศนคติค่านิยมความรู้ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องอันนั้นก็เรียกว่มิจฉาทิฏฐิถ้าเป็นฝ่ายที่ดีงามถูกต้องเป็นประโยชน์เขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิมิตรใดมีอิทธิพลชักจูงให้เกิดมิจฉาทิฏฐิ มิตรคนนั้นเขาเรียกปลาประมิตรถ้าชักนำให้เกิดสัมมาทิฐิเป็นมิตรดีก็ เ, เรียกว่ากัลยาณนะมิตรมองเห็นนะ่นี้ก็ต้องจุดออสภาพสังคมที่ผ่านมาเดียวมากเราเจอมิตรประเภททีนี้เวลาพอพูดถึงในลักษณะก็คือทัศนคติหรือว่าการที่เราจะทำให้เป็นคนดีมีปัญญาหรือเมื่อยังไม่อาจ ให้เขาเกิดศรัทธาได้ก็ยังไม่ได้ฐานะแห่งการเป็นกัลยาณมิตรและการเสวนาและการครอบหาก็ยังไม่เกิดเมื่อเมื่อเมื่อศรัทธาแล้วใจรับก็นำความคิดนั้นได้นำพากพฤติกรรมนั้นได้อาจให้เกิดเรียนแบบหรือชักจูงให้รู้จักคิดอย่างถูกต้องซึ่งอันซึ่งเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งนะบอกว่าทำหน้าที่กัลยาณมิตรได้สำเร็จก็คือทาให้ผู้ เซลวนานะเกิดมีสมาธิไอ้ทั้ทงนี้ไม่ง่ายเลยเอาทีท่ท่านไปนั่งสอนนั่งแนะนําคนเพื่อให้เขาเกิดสมาธิิยากไหมใช่ไหมเราโอ้โหแล้วแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเอางีอา้อเดินไปคุยกับยมสุวรรณให้เกิดสมาธิท่านทําได้ไหมให้เขาเกิดสมาธิิหรือ เจอเจ้าเมกบอกเอาละตั้งไอ้จ้นี้แหละเป็นเป็นเป็นโมเดลเป็นจุดหลักจะต้องสอนให้มันเป็นสมาธิที่ๆได้ทำได้ไหมเนี่ยเอางั้นก็เลื่อนขึ้นมาไหนอายอมที่ใส่บาทโอ้นี่อะไรเรามองแล้วมันยากไหม เหตผลที่มันยากเพราะอะไรไม่ใช่ปัญญาปัญญาถ้าสภาพคนที่มีปัญญามากๆเขาก็รอจังหวะเขามีอุบายวิธีนะรอมีอุบายวิธีว่าจะไปช่วงไหนเวลาไหนอย่างไรพราะพุทธเจ้าเนี่ยมีความยอดเยี่ยมกับตรงนี้นะถ้ารู้ว่าคนคนนี้มีสมาทิฐิเกิดขึ้นแล้วจะอยู่เชียงใหม่ท่านก็ต้องรีบไปไปสอนเขาแล้วเจะได้ไประโยชน์ นนัน้แต่ว่าเราจะมีข้อมูลความรู้ขนาดนั้นเพียงพอหรือไม่เ่ยแต่นี้ก็ไปดูในเรื่องของ2ประเด็นนะประเด็นเรื่องความคิดเห็นทัศนคติค่านิยอมความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องดีงามที่เรียกว่าสมมาทิฏฐิมีเนื้อความรายละเอียดมากมายนะแตนี้ก็เอาแบ่งสรุป2ประเด็นก็คือ1ความเชื่อถือตรงนี้ก็คือความเชื่อถือความเห็นทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องดีงามมีเหตุผลเนี่ยที่เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวกับความดีความชั่วการทําดีทําชั่วการได้รับผลดีร้ายสอดคล้องกับการกระทําของตัวเองเนี่ยเรื่องการทําดีทําชั่วความเชื่อมั่นในคุณธรรมเช่นคุณของมารดาบีดาความเชื่อความเห็นที่สอดคล้องแนวทางของศาสนาเช่นโลกนี้โลกหน้าปเป็นต้นเหรอ น, นี่เรียกสันทว่าเห็นชอบตามครองธรรมหรือบางที ถ้าเราไปเจอในพระไตรปิฎกจะมีคำว่าเห็นชอบตามทํานองของทำคนนี้อันเดียวกับกาว่าเชื่อกำนี่แหละก็ทําให้มีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองเขาเรียกตามหลังวิชาเรียกกัมมสกตากรรมัสกตาญาณหรือกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิปัญญาที่เขาไปรู้ในเรื่องกรรมและผลของกำไอตรงนี้เคยพูดไปแล้วกรรมสกากรรมัธายาธากัมมโยนิกรรมพันทุกรรมปฏิสารนา อันนี้คือกรรมรกรรคตาสัมมาทิฏฐิกรรมมรรคตายานอันเดียวกันเข้าใจคำนี้ชัดไหมตนเองเป็นเจ้าของของกรรมนั้นๆของการกระทํานั้นๆเมื่อเราทําำสุจริตกรรมทุจริตกรรมทั้งหลายที่สัตว์ทั้งหลายทำไว้เนี่ยสุจริตกรรมและทุจริตกรรมก็เป็นสมบัติที่แท้จริงของสัตว์นั้นใช่ไหมเป็นสมบัติที่ถาวรที่แน่นอนเนี่ยสัมมาทิฏฐิ ที่เกี่ยวกันในเรื่องของโลกียะสมาธิติหรือสมาธิติที่เป็นโลกียะที่เกิดจากความรู้ความเข้าใจเหตุและผลโดยอาศัยการอบรมสั่งสอนปลูกฝังสืบสืบกันมาในสังคมช่วยเกิดความประพฤติดีงามประพฤติชอบและดำเนินชีวิตที่ดีงามทําให้สังคมสงบเรียบร้อยดีงามเนี่ยอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยในลักษณะอย่างเนี้ยอยู่ในแนวของกรรมศักตาสมารถิติเนาะเป็นโลกียะสมาธิติประการที่สอง ความรู้ความเห็นความเข้าใจที่เกี่ยวกับโลกและชีวิตหรือสังขารและธรรมทั้งหลายถูกต้องตามความเป็นจริงอันนี้ตามสภาวะของมันเนี่ยตามความเป็นธรรมดาของเหตุปัจจัยที่มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยนี่นะถ้าไม่มองเห็นความสัมพันธ์อย่างถูกต้องซึ่งควรจะมีจะเป็นระหว่างตนเองกับสิ่งทั้งหลายที่แวดล้อมอยู่หรือกับโลกและชีวิตเนี่ยดังเช่นรู้ว่าสิ่งทั้งหลายเป็นสังขารธรรม เกิดจากองค์ประกอบต่างๆมาประชมกันเข้าเป็นไปตามความสัมพันธ์สืบทอดกันตามแนวห่งเหตุและปัจจัยซึ่งมีสภาพไม่คงที่ไม่เที่ยงแท้ถาวรไม่ยั่งยืนอยู่ตลอดเวลาเลยมีเหตุปัจจัยต่างๆขัดแย้งบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยไม่เป็นตัวของมันเองอย่างแท้จริงไม่อาจเป็นของใครๆได้และไม่ขึ้นต่อความปรารถนาของใครได้ได้อย่างแท้จริงเพราะสิ่งทั้งหลายมีสภาวะแท้จริงเป็นอย่างนี้ เราควรมีท่าทีและปฏิบัติต่อถึงนั้นอย่างไรการมีท่าทีและการยึดถือการยึดมั่นคลองอยู่อย่างไม่ลืมหูลืมตาก็คือการมอบชีวิตให้แก่การสแสวงหาไคว้คว้าเหล่านี้เป็นการถูกต้องหรือไม่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายรวมตัวเราเองด้วยต่างก็เป็นสังขารธรรมตกอยู่ในกติธรรมดานเดียวกันเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเราควรมีท่าทีและปฏิบัติกันอย่างไรดังนี้เป็นต้นเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่า หลักการในการที่เรามาพิจารณาเนะปัญญาในระดับที่ว่าเนี่ยระดับที่สองในความรู้ความเข้าใจโลกและชีวิตตามที่มันเป็ น, นอันนี้ โ, โหยากโดยส่วนใหญ่เนี่ยเอาแค่ว่าทัศนคติความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องดีงามที่เกี่ยวกับเหตุผลในเรื่องของกรรมดีกรรมชั่วเนี่ยแค่นี้ก็ยังสร้างยากใช่ไหมกรรมสกตาสมาธิเนี่ย ก็สร้างยากอยู่แล้วคนโดยส่วนใหญ่เนี่ยกรรมสกตาสมาธิไม่มีโดยมากก็ผิดพลาดหนึ่งเป็นพวกมีทัศนคติเป็นปกบเพกระตายให้ตัวท้าอา้าวเชื่อกรรมในอดีตกรรมเก่าไปประการที่สองก็อิสระนิมมานวาทะเชื่อเทพเจ้าดนบรันรดาลเชื่อรอผลดนบันดาลไปมีองค์ผู้เป็นเจ้าเป็นใหญ่ทั้งหลา ย, ลยนี่คอยให้ สุขให้ทุกเราประการต่อมาก็อเหตุกาวาธาเชื่อแบบลอยๆขึ้นมาแล้วแต่ดวงดาวโชคชะตาวาสนาช่วงนี้ปีนี้ชงบ้างไม่ชงบ้างก็ว่ากันไปใช่ไหมเนี่ยทัศนะความเห็นอย่างเี้ไม่เป็นกรรมสกตาสมาธิติไม่เป็นกรรมสกตายานไม่ไปเชื่อตามทำนองคลองทำหรือตามแนวทางเหตุและผลพื้นฐานสุดๆแค่จะให้มนุษย์เนี่ยเกิดปัญญาระดับนี้ยากและลองคิดดู คนส่วนใหญ่เอาคนที่ไม่มีกรรมสักตาสมาธิทิเอาไปปฏิบัติวิปัสนาจะไปกันใหญ่ไหมไปกันใหญ่เลยแล้วไปนั่งหลับตาเรื่องให้ไปสอนเรื่องการที่กําหนดแต่ไม่เคยปรับทัศนคติความรู้ความเข้าใจหรือความคิดเห็นให้ตรงตามความเป็นจริงเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมก่อนแต่วิ่งให้ไปสอนสมถาวิปัสนาอันนี้เขาเรียกว่าทำหน้าที่ผิดพลาด เหมือนเน่ยนายยังไม่เข้าใจในเรื่องกรรมและผลของกรรมไม่ชัดเลยเนี่ยพอจับขึ้นมาว่าเอานายไปปฏิบัติกรรมฐานเขาเรียกปัญญามันเลยไปแล้วเช่นชาติสมาทิฏฐิวิปัสสนาสมาธิฏฐิมันเลยกรรมสกทาสมาทิฏิมันจะเกิดยังไงเนี่ยนั้นจะไปเข้าใจยังไงมันเป็นไปไม่ได้มันรัดขั้นตอนขนาดนั้ น, นมันไม่มีอะไรรัดขั้นตอนได้คนต้องเข้าใจเป็นไปตามลําดับใช่ไหมไม่ ไม่รัดขั้นตอนในคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ในสภาพสังคมไทยตอนนี้ที่มันเป็นปัญหาก็คือว่าพอทุกขึ้นมามีปัญหาคร อ, อบครัวปัญหาอะไรเงี้ยเออเป็นนั่งสมาธหหมิหรือไม่งั้นก็ไปนั่นไปห้องกรรมฐานไปเข้าคอร์สบปๆมาๆแล้วมั่วอปูนการาผากกันได้ขอไปโทษหนักไปนิดในอาจารย์ทานหนักไปนิด ไอ้ตรงนี้บเป็นหน้าที่หน้าที่ของคนที่เป็นเจ้าว่าเวลาเนี้ยเวลาเขาจะมาเข้ากรรมฐานก็อบรมอะไรก่อ น, นเนี้ยนะอบรมเรื่องกรรมผลของกรรมให้เขาเข้าใจให้ชัดก่อนพอเขาเข้าใจชัดแล้วแต่เนี้ยเอาเลยสิแเนี้ยก็ ข, ขึ้นสู่วิปัสสนากรรมฐานต่อดีไหมเออแต่เนี้ยให้เขารู้ว่าที่เขากำลังยืนเดินนั่งนอนคิดนึกทั้งหลายเป็นกรรมมรรคยังไงกายกรรมจีกรรมโนกรรมที่มันเคลื่อนไหวเป็นยังไง ความคิดไปเนี่ยเป็นกรรมเนี่ยเป็นมโนกรรมยังไงการกระทําทางกายเป็นกายกรรมยังไงเป็นพูดทางวาจาเป็นวจีกรรมยังไงอะไรเป็นสุจริตทุจริตให้เขาชัดตรงนี้ก่อนใช่ไหมแล้วเวลาเขาจะเดินกูเดินสมถกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานมันเป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมมันจะได้ชัดไม่ใช่อยู่ๆโอ้โหไปแล้วแต่เนี้ยอันนี้เป็นปัญหามากเลยคนที่ไม่เข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรมแล้วรีบเอาไปเข้าห้องกรรมฐานก็เอาไปฆ่ากับทิ้ง ไม่รู้เรื่องเลยปรกลับมาเลยโอ้ช่องนี้ปฏิบัติทำแย่หน่อยถามทําไมบอกว่าได้ความสบายใจมาช่วงนี้ดวงไม่ค่อยดีว่ากันมาปฏิบัติกรรมฐานหน่อยโอ้โหตั้งแต่ไปปฏิบัติกรรมฐานมารู้สึกปล่องโล่งว่ากันดีเหลือเกินเออช่วงไหนดวงไม่ดีก็ไปเข้าห้องกรรมฐานว่ากัน้นอ้นี่ไม่มีกรรมสกทาสมาธิถี่มันขึ้นไปสู่วิปัสสนาสมาธิได้ยังไง เห็นไหมเนี่ยอันนี้คือเป็นปัญหาชีวิตนี่เป็นปัญหาแล้วเนี่ยไอ้ความรู้ความเข้าใจอย่างเนี้ยเกิดจากการรู้จักมองรู้จักคิดรู้จักพิจารณาสิ่งทั้งหลายตามสภาวะตามเหตุปัจจัยของมันเนเป็นความรู้ความเข้าใจที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิแนวโลกุตระนีไอ้สัมมาทิฏฐิแนวไอ้ตามคลองนะ หรือเห็นชอบตามตามครองธรรมะตามครองขั้งธรรมะก็คือตามกุศลกรรมบดอกุศลกรรมมาบ ท, ารรมมาบทใช่ไหมตามตามตา ม, ตามครองธรรมะนี้แต่ถ้าจะพัฒนาต่อไปสู่สัมมาทิฏฐิที่เป็นไปตามแนวแห่งโลกุตระโอ้โหนี่เรื่องใหญ่สัมมาทิฏฐิอันแรกที่เป็นกรรมกตาสัมมาทิฏฐิ หรือกรรมสกตายานความรู้ภาวะที่บุคคลมีกรรมเป็นของของตนก็หมายถึงความรู้ที่พอ ร, รู้จักแยกแยะอะไรเป็นกรรมของตนหรือไม่ใช่เป็นความรู้ระดับที่รู้จักผิดชอบชั่วดีทั้งหลายในนีน้ที่ชาวพุทธไทยมักเรียกกันว่ากรรมสกตาศรัทธาเป็นกรรมสกตาสมาธิิระดับธรรมจริยาระดับผุศลกรรมบทเป็นประโยชน์จุดหมายชีวิตในระดับทิฏฐาธรรมิกถาสัมปรายิกธาแต่เป็นพื้นฐานของปรมาาัตถะ ต่อไปเนี่ยนะเพื่อจะเข้าถึงส่วนอื่นต่อไปเนี่ยพอมองเห็นได้ยังเป็นความรู้ความเข้าใจในทิศฐาวรมิกระถาก็คือประโยชน์ในปัจจุบันสัมบารายกถาก็คือประโยชน์ในภพหน้าประโยชน์ที่เลยตาเห็นในขณะที่เราทํากรรมในปัจจุบันเนี่ยนะในการขยันหมั่นเพียรในการที่สแสวงหาทราพัพย์รักษาทรัพย์พบกระยาณมิตรการวางทีทางใจเนี่ยวางตนเสมอตนเสมอไปเนี่ยไอ้หลักการอย่างเงี้ยพื้นฐานสุดๆ หรือสูงไปก็คือเป็นผู้มีศรัทธามีศีลมีสุตตามีจารค้ามีปัญญาอันนี่ไอ้นนอหลักการตัวนี้เป็นกรรมสักดาสมาธิที่เข้าใจเหตุเข้าใจผลเข้าใจกรรมและผลของกรรมที่เราจะเกี่ยวข้องว่าเออเนี่ยปัจจุบันนพบเราก็ไม่ผิดพลาดแล้วก็เชื่อมโยงสัมปรายพพบด้วยนะกรรมที่นําไปสู่พบหน้าก็ได้สุขติด้วยแล้วก็พัฒนาสู่ไปปรามัตถประโยชน์ประโยชน์ที่สูงสุดที่เป็นตามแนวของโลกุตละที่จะเข้าใจโลกและชีวิตตามที่มันเป็นยังไง เอาอะไรสมควรแก่เวลานีมีอะไรสอบถามั้ยมีไม่มีไม่มีอ่าไม่มีก็สมควรแก่เวลาแค่นี้